คุณเอกภพนะคะเป็นลูกเพจในแฟนเพจพระเจอผีของเราแล้วก็ฝากชมเชยมาในเรื่องราวของการาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหรือว่าการนำเรื่องราวมาอ่านเนี่ยนะคะได้ชัดทอยชัดคำแล้วก็ยังคงฝากเรื่องราวที่ประสบพบเจอมากับตัวเองเพื่อที่จะให้บีเองมาเล่าถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันด้วยก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะคะ คุณเอกภพ บ, บอกว่าเมื่อช่วงเข้าพรรษาในปี2540ค่ะคุณเอกภพเองนะคะก็ได้ไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเขาทรายจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในปีนั้นจำได้ว่ามีพระบวชใหม่ทั้งหมด5รูปรวมทั้งตัวของเขาเองด้วยค่ะและเรื่องราวที่คุณเอกภพเล่าให้เราฟังต่อไปนี้มันได้เกิดขึ้นในขณะที่เขาบวชเป็นพระนั่นเอง คุณเอกภ พ, พบอกว่าจำได้ดีถึงวันเกิดเหตุสยองขวัญที่ทำให้ผมต้องจดจำไปตลอดชีวิตมันเป็นวันหนึ่งหลังจากที่ผมบวชได้ประมาณเดือนกว่าวันนั้นได้มีโยมมานิมน์พระที่วัดเพื่อให้ไปสวดบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายหลายรายนะคะจนกระทั่งพระในวัดเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วนอกจากตัวของคุณเอกภ พ, พเพียงแค่รูปเดียวแล้วก็ได้มีญาติของผู้ป่วยรายหนึ่งเดินทางมานิมน์พระที่วัดให้ไปช่วยสวดส่งวิญ ญ, ญาณ ให้กับผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ซึ่งคิดนะคะว่าคงไม่รอดแน่ๆเลยในวันนี้แม้ว่าตัวของเขาเองจะบวชเป็นพระใหม่แต่เมื่อญาติโยมมานิ้มวลถึงที่ค่ะเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปโดยไม่อาจขัดได้ก็ต้องเดินทางไปทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะก็เพียงแค่สวดได้แค่บังสุกุลเท่านั้นและสิ่งที่คุณเอ ก, กพบบอกว่าผมไม่คิดว่าจะต้องเจอกับศึกหนะัก ดังที่จะเล่าต่อบไปนี้ก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อตัวของคุณเอกภพเองนะคะเดินทางไปถึงบ้านของผู้ป่วยก็พบนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในอาการหนักมากซึ่งเป็นผู้ชายอายุประมาณ25ปีใครใที่เห็นก็ต่างบอกนะคะว่าเขาคงจะไม่รอดในคืนนี้แน่นอนญาติพี่น้องของผู้ป่วยนะคะก็เลยขอร้องให้คุณเอกภพซึ่งตอนนั้นนี้ยังคงบวชเป็นพระอยู่ให้สวดนะคะอยู่ข้างๆเพื่อที่วิญญาณจะได้ไปอย่างสงบ และมันก็เป็นจริงอย่างที่พูดนะคะเพียงเพราะไม่นานนักผู้ป่วยรายนี้ก็สิ้นลมจากไปจริงๆโดยที่มีพระนั่งสวดอยู่ข้างๆท่ามกลางญาติพี่น้องที่ร้องไห้กันระงมตอนนี้แหละนะคะที่คุณเอกพบบอกว่าผมลำบากใจเป็นที่สุดเพราะว่าหลังจากที่ผู้ป่วยสิ้นลมไปแล้วญาติญาติก็ได้ขอร้องให้ผมเนี่ยทพิธีมัตตราสังพร้อมกับบรรจุใส่ลงซึ่งเตรียมไว้เรียบร้อย ตัวของคุณเอกภพเองตอนนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องของพิธีกรรมเหล่านี้เลยแต่เมื่อถูกขอร้องก็จําเป็นต้องทําละค่ะอาศัยที่เคยอ่านจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดพิธีศพมาบ้างก็เลยจําเป็นต้องลงมือทํำอย่างเสียไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างญาติผู้ตายจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วก็จําเป็นต้องนําสายศีลมมัดศพสวดก็สวดไม่เป็นได้แต่ท่องบทสวดเท่าที่สามารถสวดได้ไปพลางๆขณะทำพิธี คุณเอกภพก็เริ่มมัดศพที่บริเวณหัวแม่เท้าทั้งสองข้างแล้วก็ลากไปมัดที่ข้อเท้าตามด้วยเอวแล้วก็ข้อมือจนกระทั่งไปจบด้วยการมัดที่บริเวณลำคอของศพซึ่งโดยขณะที่มัดศพอยู่นั้นนะคะคุณเอกภพก็พยายามสวดเท่าที่จะสวดได้กระทำพิธีศพอย่างงูงูปลาปลาทำเท่าที่จำได้จากในหนังสือที่เคยอ่านแม้รู้อยู่ในใจนะว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่ก็จาเป็นต้องทา แล้วก็มัดศพแน่นนะคะบางทีอาจจะแน่นเกินความจำเป็นไปเลยก็ได้หลังจากเสร็จพิธีค่ะก็ได้ลากลับมาจำวัดด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจนักพอเดินทางกลับมาถึงวัดสิ่งผิดปกติก็ได้เริ่มเกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือความรู้สึกคล้ายกับว่ามีคนเดินตามอยู่ตลอดเวลาพอจะก้าวขึ้นกุฏิก็รู้สึกเหมือนมีกระแสลมพัดฟูบเข้ามาประทะร่างจนจีวรปลิว แล้วมันก็เป็นลมที่ผ่านวูบเข้ามาเพียงวูบเดียวแล้วก็หายไปอย่างไรร่องรอยคุณเอกภพนะคะบอกว่าเริ่มรู้สึกกลัวแต่ก็พยายามข่มความกลัวเอาไว้ทําจิตให้สงบแล้วเข้าจําวัดตามปกติและขณะที่กำลังเคลิ้มอยู่นั้นนะคะก็ได้กลิ่นเหม็นฟุ้งตลบไปทั่วมุ้งคือมันชัดเจนมากจนผมต้องลืมตาขึ้นมามองเพื่อหาสิ่งที่ทาให้กลิ่นนั้นลอยมาหรือว่าที่มาของกลิ่น จังหวะนั้นเองผมแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยแต่สิ่งที่เห็นมันชัดเจนจนผมไม่อาจปฏิเสธเป็นอื่นไปได้เพราะค้างๆผมในตอนนั้นมันปรากฏเป็นร่างของศพนอนเบียดอยู่สภาพของศพที่ผมเห็นมันทําให้ผมแทบช็อกเพราะมันเป็นศพของผู้ตายที่ผมเดินทางไปทําพิธีสวดบางสุกุลและมัตราสังกับมือตัวเองเมื่อก่อนหน้านี้ไม่นานลักษณะศพที่ผมเห็นนั้นเขากําลังนอนตะแคงหันหน้ามาทางผม ตาของเขาประสานกับในตาที่กําลังลุกโคลงด้วยความหวาดกลัวของผมขณะที่ปากก็ขยับแล้วก็พูดว่ามึงมัดกูแน่นเกินไปอยากลองดีกับกูเหรอเมื่อคุณเอกภพนะคะได้ยินศพพูดออกมาอย่างนี้ค่ะก็แทบสิ้นสติก็พยายามรวบรวมสมาธิแล้วก็สวดแผ่เมตตาออกไปแต่ว่าร่างของผู้ตายก็ยังคงนอนอยู่ข้างๆเหมือนเดิมไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นแถมทําท่าทางเหมือนกับจะพลิกตัวขึ้นมาทับตัวของคุณเอกภพอีกต่างหาก ช่วงนั้นเองนะคะก็เลยฉุก ค, คิดขึ้นได้นะคะว่าหลวงพ่อเคยบอกไว้ให้ใช้สังคาติฟาดไปถ้าหากว่าวิญญาณมารบกวนคุณเอกภพก็เลยทําตามคําที่หลวงพ่อเคยบอกค่ะร่างของศพหรือว่าวิญญาณ น, นั้นก็ได้ค่อยๆเลือนหายไปรุ่งเช้าเขาก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้กับหลวงพ่อฟังแล้วก็กลับไปที่บ้านคนตายอีกครั้งหนึ่ง ขอร้องนะคะให้ญาติเนยกลงศพลงมาเพื่อทำการแก้มดตราสังที่ได้กระทำไปอย่างไม่ถูกต้องตามวิธีออกไปแล้วก็ขออาหสิกรรมจากศพผู้ตายเพื่อเขาจะได้ไม่มารบกวนอีกนะคะวิญญาณของคนตายรายนี้ เรียกว่าเฮียนมากค่ะขนาดที่ได้ไปตามสับ ป, ปะเลอมัมม่าตราสั่งอย่างถูกต้องแล้วคนที่ไปร่วมงานศพหลายคนก็ยังคงเห็นร่างของผู้ตายมาปรากฏตัวให้เห็นโดยเขาจะมานั่งอยู่ที่หน้าบ้านขณะตั้งศพสวดอยู่จนหลายคนเกิดอาการหวาดกลัวไปตามๆกันและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงค่ะเมื่อครั้งที่คุณเอกภพ บ, บวชเป็นพระอยู่เป็นผลมาจากการกระทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการที่สยองที่สุดในชีวิตนะคะขอบพระคุณคุณเอกภพค่ะกับเรื่องราว ราสังจําเป็นนะคะที่ส่งมาให้เราได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังทางแฟนเพจพระเจอผีแล้วก็ในช่องแหนพระเจอผีบน YouTube ด้วยค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการจะส่งเรื่องราวหรือว่าประสบการณ์ขนหัวลุกที่คุณผู้ฟังประสบพบเจอมาด้วยตัวเองหรือว่ากับคนอื่นแล้วมาเล่าให้เราฟังนะคะอยากจะส่งมาก็ส่งมาได้ที่แฟนเพจพระเจอผีโดยเข้าไปที่เครื่องหมายใน Facebook นะคะพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า พระเจอผีสะกดเป็นตัวพีตัวอาร์ตัวเอนะคะแล้วก็ตัวเจตัวอีตัวอาร์แล้วก็ตัวพีว e, ว A, แล้วก็ตั ว, P, ว, ตว e, อีตัวนะคะพระเจอผีแค่นี้นะคะเรื่องราวก็จะถูกส่งมาให้เราได้เล่าสู่คุณผู้ฟังฟังได้หลายช่องทางเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเราประจำวันนี้ด้วยซึ่งเวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องพระเจอผีแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอให้เราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2531ั คุณตราการได้เสียพี่ชายไปด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นเดียวกันกับที่อีกหลายๆครอบครัวนะคะที่จะต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งไปเพียงเพราะความประมาทของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะในชั่วพริบตาเดียวพี่ชายของคุณตราการก็ถูกรถกระบะนะคะชนขณะกำลังข้ามถนนเพื่อเดินทางกลับบ้านในตอนดึกของคืนนั้นโดยไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้ที่ก่อเหตุเลยแม้แต่น้อย รถคันที่ขับชนก็ได้ขับหลบหนีไปอย่างลอยนวลขณะที่ร่างของพี่ชายคุณตระการนี่ก็ต้องลอยคว้างลงไปนอนแน่นิ่งอยู่ในช่องว่างท่อระบายน้ำของถนนรามอินทราค่ะซึ่งขณะนั้นก็กำลังอยู่ในระหว่างการขยายถนนและก็มีท่อระบายน้ำขนาดใหญ่วางเรียงรายอยู่ตลอดแนว2ข้างทาง ศีสะของพี่ชายคุณตราการเนี่ยคงจะไปกระแทกกันกันกบท่อระบายน้ำเหล่านั้นอย่างแรงค่ะก็เลยเป็นเหตุทำให้แกเนี่ยถึงกับสลบหมดสติไปในทันทีแต่กระนั้นก็ยังถือว่าโชคดีอยู่หน่อยนึงนะคะที่มีผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ช่วยกันนำร่างของพี่ชายส่งโรงพยาบาลภูมิพลเพื่อให้แพทย์เร่งทาการช่วยชีวิตแทนที่จะนอนเฝ้าถนนเป็นผีตายหงอยู่อย่างนั้น พี่ชายของคุณตราการเองก็นอนไม่ได้สติอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลถึง3วันซึ่งในช่วงระยะนั้นบรรดาญาติพี่น้องค่ะก็ต้องตกอยู่ในสภาวะที่แสนตึงเครียดนะคะว่าพี่จะสามารถฟื้นกลับคืนมาได้หรือเปล่าเพราะว่าแพทย์เจ้าของไท้เองก็ไม่ได้ให้ความหวังใดๆเลยบอกเพียงแต่ว่าอาการของพี่ชายเนี่ยห้า แต่แล้วก็เหมือนกับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทุกคนได้วิงวอนบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงบอกว่าขอให้ช่วยรักษาชีวิตพี่ชายไม่ให้ตายไปจากโลกนี้โดยไม่ได้สั่งเสียอะไรเลยในตอนเช้ามืดของวันที่4ของการนอนหลับเป็นเจ้าชายนิทราในห้องไอ u ียูนั้นพี่ชายของคุณตราการก็ฟื้นกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งทำกลางความดีใจของบรรดาทุกคนในครอบครัวละค่ะ อาการของพี่ชายก็ดีขึ้นทีละน้อยทีละน้อยในช่วงเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นแต่ที่บริเวณหัวก็ยังมีลักษณะบวมให้เห็นได้อย่างชัดเจนจนกระทั่งเมื่อแกสามารถพูดจาได้บ้าง ทุกคนนะคะก็ได้ยินเรื่องราวที่น่าขนลุกจากปากของพี่ชายค่ะแกเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงระหว่างที่หมดสติอยู่นั้นแกได้เห็นชายรูปร่างใหญ่3ามคนหน้าตาดุดันได้เดินมาหาแกยังที่ที่แกนอนอยู่บนเตียงคนไข้นะคะชาย3ามคนเนี่ยบอกว่าจะมารับตัวแกไปเพราะว่าถึงเวลาของแกแล้วแต่พี่ชายได้ขอร้อง3ามคนนั้นบอกว่าอย่าเพิ่งพาแกไปเลยเพราะว่าแกยังมีลูกเล็กๆที่ยังเป็นห่วงอยู่ อีกทั้งยังไม่ได้ร่ำลาพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องลูกเมียเลยขอเวลาให้แกอีกสักหน่อยนึงแล้วแกจะไปโดยไม่ขัดขืนตอนแรกนะคะชาย3มคนเนี่ยก็ทําท่าไม่ยอมค่ะแต่พอพี่ชายเขาวิงวอนขอร้องแบบน่าสงสารแบบนี้ในที่สุดชาย3คนก็รับปากว่าจะให้โอกาสกลับไปและจะมารับอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นร่างของชายสามคนที่พี่ชายของคุณตะการเห็นเนี่ยก็อันตรธานหายไปและพี่ชายของเขาก็ฟื้นคืนสติกลับมาอีกครั้งนะคะอาการของพี่ชายคุณตะการก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนสามารถกลับมาอยู่บ้านได้โดยในช่วงระหว่างนั้นแกก็มักจะขอร้องให้พาไปทําบุญอยู่เสมอจนกระทั่งประมาณ3เดือนหลังจากนั้นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ประมาณตีสี่ของวันที่20กันยายนปีสองพร้อยสามสค่ะขณะที่คุณตระการเองก็กําลังนอนหลับอยู่ที่ห้องนอนข้างห้องพี่ชายเขาก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจและหวาดกลัวของพี่สะพายที่ดังออกมาลั่นบ้านพร้อมกับพูดแต่คําว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะคุณตระการเองก็เลยต้องรีบลุกขึ้นเปิดประตูห้องนอนของพี่ชายเข้าไปด้วยความตกใจแล้วก็งุนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ในทันทีที่เขาเห็นภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าตัวเขาเองก็ต้องขนลุกกับภาพที่ปรากฏค่ะภาพนั้นคือเลือดสีแดงไหลทะลักออกมาจากปากของพี่ชายแล้วก็ออกมาจาหมูก ข, ของพี่ชายเป็นลิ่มๆร่างเกรงแล้วก็กระตุกนะคะในตาของแกก็เหลือกลานจ้องมองไปที่ปลายเตียงนอนพร้อมกับชี้นิ้วไปที่ปลายเท้าเหมือนกาลังเห็นอะไรบางอย่างอยู่ที่ตรงนั้น คุณตระการก็ได้พาร่างอันโชคไปด้วยเลือดของพี่ชายเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ขับไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดค่ะแต่ทุกอย่างก็สายไปซะแล้วโดยที่แพทย์ไม่อาจจะช่วยชีวิตไว้ได้ทันพี่สะพายเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนเข้านอนคืนนั้นพี่ชายเนี่ยแกกอดลูกสาวไวสองขวบไวแน่นอย่างที่ไม่เคยกระทํามาก่อนแล้วก็บอกว่าคงถึงเวลาสัทีเพราะเขาให้เวลามาเพียงเท่านี้ ไม่มีใครรู้นะคะว่าพี่ชายของคุณตระการมองเห็นอะไรที่บริเวณปลายเตียงนอนก่อนที่แกจะหมดสิ้นลมหายใจไปในวันนั้นแต่ทุกๆคนนะคะก็คาดเดาเอาไว้นะคะว่าแกก็คงจะมองเห็นชาย3คนที่แกเคยขอต่อเวลาชีวิตเอาไว้กำลังจะมารับแกไปซึ่งแกไม่อาจที่จะหลบดเลี่ยงได้อีกแล้วสําหรับการมารับในครั้งนี้ค่ะ เรื่องราวอันน่าขนลุกสยองขวัญในสังคมของคนเราสมัยนี้เกิดขึ้นมากมายค่ะสังเกตได้จากรายการผีต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องเล่าจากผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำนานหรือว่าเรื่องของความเชื่อหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากตัวเองถูกถ่ายทอดให้เราได้ยินได้ฟังกันอย่างมากมายวันนี้บีขอยก เรื่องเล่าจากประสบการณ์กระทูผีในเว็บไซต์พันทิปชื่อของสมาชิก ค, คือน้องเก้าจูจูค่ะมาเล่าให้ฟังเชื่อว่าหลายคนเมื่อได้ยินได้ฟังอาจจะทำให้หลอนไปตามๆกันอย่างแน่นอนนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่เราเจอกับตัวเองแม่เล่าให้ฟังว่าสมัยที่แม่ยังสาวพึ่งคลอ ด, ดได้สองสามเดือนก็ย้ายจากกทมมาอยู่ที่ลำปางซึ่งบ้านที่อยู่จะเป็นบ้านที่แม่อาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กอยู่มาวันหนึ่งยายวิ่งมาบอกทุกคนในบ้านว่าอุ๊ยหรือว่าพ่อของยายแกตกลงมาจากยุงข้าว ญาติทุกคนก็พากันไปเยี่ยมแก่แม่ของเราก็ไปเยี่ยมด้วยเพราะว่าอยู่บ้านคนละหลังบ้านจะห่างกันไม่มากนักแต่ว่าในหมู่บ้านเดียวกันแม่อุ้มเราไปแนะนำให้อุ้ยรู้จักแกก็ได้แต่มองเราพูดอะไรก็ไม่ได้แต่ด้วยความที่อุ้ยแก่แล้วอาการป่วยจากอุบัติเหตุบวกกับโรคของคนแก่ก็เลยทำให้อาการแย่ลงเรื่อยๆนะคะแกจะลุกไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องนอนอยู่ตรงนั้นทั้งวันค่ะ ทุกครั้งที่อุ้ยรู้สึกเจ็บหรือว่าทรมานมากๆแกก็จะใช้ส้นเท้ากระทึบพื้นที่นอนอยู่เป็นจังหวะเสียงดังตึกตึกตึกเป็นแบบนี้ประมาณสองเดือนค่ะในระหว่างที่อุ้ยป่วยนั้นญาติๆและก็เพื่อนในหมู่บ้านต่างพากันแวะเวียนมาเยี่ยมให้กำลังใจอยู่เสมอแต่ว่าอาการป่วยของแกก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยร่างกายผอมแห้งจนหนังหุ้มกระดูก จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะแกก็จากไปค่ะที่บ้านก็จัดงานศพตามปกติคุณยายก็ถามแม่ว่าจะไปงานไหมแต่แม่บอกว่าคืนนี้เนี่ยไม่ไปเดี๋ยวค่อยไปวันอื่นก็ได้เพราะว่าดูท่าทางแล้วคืนนี้คนต้องเยอะแน่ๆแล้วเราก็ยังเด็กมากด้วยอยู่ในงานก็คงจะดูแลลบาบากแม่ก็เลยตัดสินใจเฝ้าบ้านให้ทุกคนก็เลยไปงานศพเหลือแค่ ค, คุณแม่แล้วก็เจ้าของเรื่องแค่นั้นนะคะ เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนดึกค่ะแม่ก็ยังนอนไม่ได้เพราะว่ า, าลูกสาวคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยยังเด็กอยู่ยังไม่นอนบรรยากาศรอบตัวของแม่นี่เงียบมากไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากลมนอกหน้าต่างระหว่างที่แม่กําลังให้นมแม่ก็ได้ยินเสียงตึกตึกตึกดังอยู่ขอบเตียงที่นอนเสียงนั้นดังวนไปวนมาหลายรอบแต่เมื่อมองไปรอบๆก็ไม่เจออะไรแม่ก็ทําท่าจะนอนต่อเสียงเดิมก็ดังมาอีก ทีนี้แม่บอกว่าแม่เห็นภาพอุ้ยเนี่ยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนอนอยู่กลางบ้านห่างจากเตียงที่แม่นอนอยู่ประมาณ2เมตรกําลังเคาะส้นเท้าด้วยความเจ็บปวดแล้วหน้าก็มองมาที่แม่แกค่อยๆเอาแขนดันตัวเองให้ลุกขึ้นมานั่งเหยียดขาโดยที่ยังมองหน้าของแม่อยู่และนั่งอยู่ท่าเดิมแต่ว่าตัวของแกก็เริ่มลอยห่างออกไปเรื่อยๆจนลอยไปชิดขอบประตูห้องที่แม่นอนอยู่ แล้วแกก็ลุกขึ้นไปเกาะผนังลักษณะกำลังคลานแล้วก็ไต่ผนังเข้ามานั่งยองๆข้างตัวแล้วก็กระซิบว่าทำไมไม่ไปงานศพกู เท่านั้นแหละค่ะแม่บอกว่าแม่ใส่เกียร์ม้าวิ่งออกไปที่หน้าบ้านแต่เพิ่งนึกได้ว่าลืมลูกไว้ในบ้านก็เลยต้องรีบกลับเข้ามาที่บ้านเพื่อที่จะอุ้มเอาลูกสาวเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงดิ่งไปที่งานศพต่อไปค่ะคุณแนนเป็นสาวออฟฟิศในตำแหน่งระดับสูงทำงานแถวประเวทค่ะก็เลยหาที่พักแถวนั้นบังเอิญมีห้องว่างพอดีลักษณะห้องกว้างขวางตรงกับที่ต้องการแนนก็เลยตอบตกลงย้ายเข้ามาอยู่ อาทิตย์แรกผ่านไปอย่างไม่มีปัญหานะคะพอเข้าสู่อาทิตย์ที่สองค่ะคืนนั้นคุณแนนเลิกงานดึกกลับมาถึงห้องก็เกือบตีสองขณะกำลังไขห้องอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคู่สามีภรรยาเพราะว่าได้ยินเสียงทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ยังคิดอยู่ในใจเลยว่าอุตส่าห์หาห้องแพงๆเ พ, เ พ, เพื่อหนีปัญหาข้างห้องเป็นมลพิษแล้วก็ยังมาเจอแบบนี้อีก พอเข้าห้องเสียงที่ทะเลาะกันยิ่งดังมากขึ้นนะคะจนอยากจะเข้าไปเคาะเตือนแต่ว่าอีกใจก็คิดว่าเพิ่งจะมาอยู่ใหม่ไม่อยากสร้างศัตรูจากนั้นแนนก็อาบน้ำแล้วก็นอนฟังเสียงข้างห้องทะเลาะกันไปจนหลับนะคะพอเช้าวันต่อมาค่ะคุณแนนก็รีบแต่งตัวเพื่อจะไปทํางานก็ออกจากห้องมา จังหวัดเดียวกันกับห้องตรงข้ามเปิดประตูค่ะเด็กสาวคนนั้นก็มองหน้าของคุณแนนแบบแปลกๆแล้วก็เดินจ้ำอ้าวเดินออกไปวันนี้คุณแนนทํางานแบบไม่มีสมาธิเพราะรู้สึกว่าง่วงมากก็เลยขอตัวกลับมาพักผ่อนที่บ้านก็คือเหมือนลาครึ่งวันน่ยนะคะพอมาถึงห้องก็อาบน้ําแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่มาสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีเสียงคนทะเลาะ ก, กันอีกแล้ว ในใจก็เลยคิดค่ะว่าเอ๊ะมันจะทะเลาะอะไรกันนะักกันหนาวะกลางคืนยันกลางวันก็เลยเดินออกไปส่องตรงระเบียงมองทะลุผ่านกระจกใสเข้าไปในห้องขณะกำลังเพ่งสายตาผ่านม่านอยู่ค่ะก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลำตัวช่วงหน้าอกลงไปถึงขามีแต่เลือดตาเบิกโพรงราวกับว่าได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสคุณแนตกใจมากรีบกลับเข้ามายัางห้องของตัวเองพร้อมวิ่งไปที่ประตูแล้วก็ส่องผ่านตาแมวออกไปว่ามีใครอยู่ไหม แต่ว่าทุกอย่างก็เงียบค่ะพร้อมกับเสียงคนทะเลาะกันก็เงียบไปเช่นกันคุณแนนกดโทรศัพท์ลงไปที่เคาน์เตอร์ด้านล่างพอพนักงานรับสายค่ะก็เลยรีบแจ้งพนักงานบอกว่ามีเหตุฉุกเฉินให้เรียกตำรวจแล้วก็รถพยาบาลด่วนมีเหตุทำร้ายร่างกายกันที่ข้างห้องพนักงานสอบถามชื่อห้องแล้วก็ชั้นพอบอกออกไปพนักงานก็เงียบไปอึดใจแล้วก็บอกว่าให้คุณแอนเนี่ยลงมาเล่าข้างล่างบอกว่ากลัวคนร้ายจะเห็นแล้วก็กลัวจะโดนทำร้าย พนัก ง, งานก็เลยบอกว่าให้รีบลงมาคนร้ายคงยังไม่ทันได้รู้ตัวหรอกวินาทีนั้นค่ะคุณแนนบอกโมโหมากก็เลยวางสายไปแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลแล้วก็รถตํารวจด้วยตัวเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะคุณแนนได้ยินเสียงรถฉุกเฉินเธอก็นั่งรออยู่บนห้องอย่างใจจดใจจ่อเนีคะแต่ว่าเวลาผ่านไปนานมากก็ไม่เห็นมีใครขึ้นมาสักคนหนึ่งแต่ว่าผ่านไปสักครู่หนึ่งค่ะรถฉุกเฉินทั้งหมดก็พากันกลับออกไปคุณแนนก็เลย งงน ะ, ะนั่งงงอยู่ในห้องตัวเองนั่นแหละว่าเอ๊ะมาถึงแล้วทําไมไม่ขึ้นมาเพื่อที่จะระงับเหตุหรือว่ามาช่วยคนเจ็บคืนนั้นคุณแนนก็อยู่ห้องอย่างหวาดกลัวค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็เงียบสนิทได้แต่นอนขม่มความกลัวแล้วก็รวบรวมความกล้าที่มีอยู่น้อยเต็มทีค่อยๆ ย, ย่องเดินไปที่ระเบียงส่องดูห้องข้างๆอีกครั้งทุกอย่างเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่ก็เลยกลับเข้ามาในห้องในตอนนั้นก็อุ่นใจนิดๆเนี่ยนะคะแล้วก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ต้องมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะรู้สึกว่ามีคนมาบีบคอตัวเองอยู่ก็พยายามดิ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นคือผู้ชายร่างใหญ่ขึ้นคล่อมตัวของคุณแนนแล้วก็บีบคอเธอจนแน่นจนรู้สึกหายใจไม่ออกค่ะก็เลยดิ้นพร้อมสะบัดตัวเพื่อให้หลุดและแล้วก็หลุดจริงคุณแนนก็เลยวิ่งไปที่มุมห้องผู้ชายคนนั้นก็เดินเข้าไปหาคุณแนนอย่างช้า คุณแนนมองไปที่ร่างนั้นและสิ่งที่เธอได้เห็นมันทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นเพราะว่าเบื้องหน้าของผู้ชายคนนั้นก็คือตาค่ะดวงตาที่โปนออกมาเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าหน้าปูดบวมลิ้นจุก ป, ปากพร้อมกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุงไปทั่วลำตัวเนี่ยมีแต่เลือดน้ำหนองคุณแนนกรีดร้องสุดเสียงแล้วก็สลบไปในทันทีมารู้สึกตัวอีกทีนึงปรากฏว่าเธออยู่ที่ล็อบบี้ข้างล่างแล้ว รอบตัวของเธอมีเด็กสาวห้องตรงข้ามและพนักงานห้องเช่ายืนมุงอยู่และที่ขณะที่กําลังช่วยกันปรถมพยาบาลนะคะคุณแนนกําลังจะอ้าปากเล่าสิ่งที่เธอได้เจอมาพนักงานบอกว่าอย่าเพิ่งพูดตอนนี้รอให้เช้าก่อนคุณแนนก็เลยถามว่าทําไมแนนถึงไม่อยู่ที่นี่ได้เด็กสาวห้องตรงข้ามตอบเธอกําลังจะไขห้องก็ได้ยินเสียงคุณแนนเนกรีดร้องเสียงดังมากด้วยความตกใจเธอก็เลยลงไปตามพนักงานที่เคาน์เตอร์ด้านล่าง ทุกคนก็ช่วยกันไขประตูห้องหาก็พบว่าคุณแนนเนี่ยเป็นลมสลบอยู่กับพื้นก็เลยช่วยกันอุ้มแนนลงไปที่ล็อบบี้ข้างล่างแล้วก็ช่วยกันประมพยาบาลจนคุณแนนฟื้นนะคะทุกคนที่อยู่ล็อบบี้ก็ยืนเป็นเพื่อนกันจนถึงเช้าจากนั้นพนัก ง, งานก็เล่าให้ฟังบอกว่าทั้งชั้นที่แนนเช่าอยู่เนี่ยจริงๆมีผู้ที่อาศัยอยู่แค่สองห้องคือคุณแนนแล้วก็ห้องน้องตรงข้าม คุณแนนก็แย้งทันทีค่ะบอกว่าไม่ใช่มันไม่ได้มีแค่สองห้องนี้เพราะว่าเธอได้ยินเสียงคนทะเลาะ ก, กันข้างห้องตลอดเลยตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เธอย้ายเข้ามาอาศัยอยู่แล้วเด็กสาวห้องตรงข้ามก็เลยบอกค่ะบอกว่าจริงค่ะพี่ทั้งชั้นเนี่ยมีแค่เราอยู่แค่สองห้องนอกนั้นเขาซื้อทิ้งไว้แต่ไม่ได้มาอยู่ส่วนหนูยังหาที่อยู่ไม่ได้ยังไม่มีที่ไปก็เลยต้องทนอยู่ไปก่อนคุณแนนก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องข้างๆ พนักงานแล้วก็เด็กสาวก็ตอบบอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ห้องกลางคงหรอกแต่ว่าห้องที่เกิดนี่ยคือห้องที่คุณแนนอาศัยอยู่เรื่องมันมีอยู่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหญิงชายคู่สามีภรรยาซื้อห้องที่นี่อยู่ค่ะทั้งคู่มักจะมีปากเสียงกันอยู่บ่อย จนในที่สุดนีค่ะก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นเขาหวังจะฆ่าภรรยาแต่ว่าภรรยาก็หนีออกมาจากห้องนั้นได้และไม่กลับมาอีกส่วนสามีของเขาลงมานั่งรอภรรยาที่ล็อบบี้ทุกวันเพื่อหวังว่าภรรยาจะกลับมาหาเขาแต่ก็ไม่ปรากฏนะคะว่าภรรยาจะกลับมาค่ะจนเวลาผ่านไปพนักงานก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไม พี่ผู้ชายคนนี้เขาถึงไม่ลงมาข้างล่างเพื่อที่จะมารอภรรยาของเขาที่ล็อบบี้เหมือนทุกวันแล้วก็ไม่เห็นหน้าเขามาร่วมอาทิตย์แล้วประกอบกับห้องข้างๆบอกน ะ, ะบอกว่านิกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนหนูตายโชยออกมาจากห้องของเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มูลและนิธิกู้ภยัยทำการงัดห้อง ปรากฏว่าชายคนนั้นนี่นอนเสียชีวิตในสภาพขึ้นอืดตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าเจวันค่ะน่าจะเป็นเพราะวะอาการเครียดเส้นเลือดฝอยในสมองอาจจะแตกหรือว่าหัวใจล้มเหลวกระทานหันและหลังจากที่ชายคนนั้นตายก็จะมีคนได้ยินเสียงผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันหรือไม่ท้าหนักกว่านั้นคือเดินผ่านหน้าห้องไปเลยส่วนเด็กสาวห้องตรงข้ามเธอได้ยินเสียงทุกคืนค่ะแล้วก็เห็นอยู่บ่อยๆแต่เธอก็เลือกที่จะทําเป็นมองไม่เห็น ตอนกลางคืนเวลานอนก็ต้องใช้เสียงเพลงอุดหูไว้จนหลับเวลาตื่นก็จะรีบแต่งตัวเพื่อไปอมหาวิทยาลัยให้เร็วที่สุดนะคะเวลากลับก็เช่นกันเธอก็พยายามกลับให้ถึงห้องก่อนค่ำถ้าเป็นไปได้พอคุณแนนได้ฟังเรื่องแบบนี้ก็เลยรีบโทรหาเพื่อนที่ทำงานทั้งที่ไม่ได้สนิทอะไรกันนะเพื่อไห้วันให้มาช่วยขนย้ายห้องทันทีค่ะส่วนเด็กสาวคนนั้นน่าสงสาร นับชะตากรรมคนเดียวไปคือก็ยังต้องทนอยู่ห้องนั้นต่อไปจนกว่าจะหาห้องพักใหม่ได้นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าผู้ถ่ายทอดไม่ได้บอกไว้ว่าภรรยาของเขาอยู่ไหนแต่ถ้าจะให้เดานะเธอก็คงจะเสียชีวิตแล้วก็วิญญาณก็คงจะมาวนเวียนอยู่ในห้องนี้นะคะเหมือนกันกับพี่ที่เป็นสามีที่เป็นผู้ชายนี่แหละนะคะนั่นก็คือห้องที่เป็นบริเวณเกิดเหตุนั่นเองะคะ่ะ มีเรื่องสั้นอีก3มเรื่องนะคะที่บีนํามาฝากคุณผู้ฟังจากทางด้านของกระทู้พันทิพย์นะคะเป็นเรื่องผีค่ะเรื่องแวะมาดูเฉยๆนะคะเป็นเรื่องเล่าจากคุณยายของเจ้าของโพสต์ค่ะบอกว่าคุณยายเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งคนข้างบ้านเนี่ยเขาจัดงานศพช่วงที่พระสวดอภิธรรมอยู่นั้นก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วซึ่งเป็นเวลานอนของคุณยายทําให้คุณยายจําเป็นต้องนอนฟังพระสวดไปด้วย แล้วก็ช่วงจังหวะที่พระหยุดสวดนั้นคุณยายรู้สึกได้ว่าตนเองอยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นขยับตัวไม่ได้ทุกอย่างรอบข้างคือเงียบไปหมดแต่ก็ยังได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเหยียบกิ่งไม้แล้วก็ใบหญ้าแห้งๆข้างบ้านแล้วก็เสียงนั้นก็ค่อยๆดังใกล้เข้ามาที่หน้าต่างที่อยู่ติดกับเตียงนอนนะคะคุณยายก็เลยชั่เลืองมองไปทางหน้าต่างที่เปิดอยู่แล้วก็คิดว่าต้องเป็นขโมยแน่ๆละ่ะเพราะตัวเองเนี่ยอยู่บ้านหลังใหญ่โตคนเดียวมาโดยตลอด หลังจากคิดได้ไม่นานค่ะหน้าต่างก็เปิดออกเสียงดังปังสนันวันไหวพร้อมกับปรากฏว่ามีร่างของผู้ชายตัวใหญ่กำยำผิวดำสวมกางเกงขาสั้นสีแดงไม่ใส่เสื้อกระโดดขึ้นมานั่งยองๆบนขอบหน้าต่างค่ะแล้วก็จ้องมองมาทางคุณยายภายใต้ความมืดค่ะคุณยายมองไปที่ใบหน้านั้นก็เห็นเพียงแค่ลูกตาสีขาวกับฟันแหลมๆชายร่างดำพูดกับคุณยายค่ะว่าแวะมาดูเฉยๆแล้วก็กระโดดออกไป จากนั้นคุณยายก็ตะโกนแหกปากสุดเสียงด้วยความตกใจค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาจากผวังลุกขึ้นมานั่งหายใจหอบคุณยายนั่งอยู่จนเช้าจึงได้โทรไปเรียกป้าแล้วก็ลุงให้มารับกลับกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคุณยายแข็งแรงดีนะคะเรื่องที่สองเป็นเรื่องของคุณพ่อค่ะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนเมษา2561คุณพ่อบอกว่าขณะกาลังนอนหลับอยู่ในห้องนอนเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างหลังบ้าน ซึ่งบ้านของเราเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะก็หลังบ้านเนี่ยิดกับพื้นที่ที่เป็นบ่อปลาของคนอื่นก็ได้ยินเสียงเดินย่ำเท้าดังมากได้ยินมาถึงชั้น2พ่อก็นอนฟังว่าเอ๊เสียงนั้นมันจะเดินไปทางไหนและในที่สุดค่ะมันก็หยุดอยู่ที่หลังบ้านตัวเองพ่อก็พยายามฟังอีกว่ามันจะทำอะไรต่อสักพักก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะคะพูดแบบแหบๆ บ, บอกว่าเป็นอ่าพูดว่าตานตาน ซึ่งเป็นชื่อของลูกสาวเพื่อนบ้านพ่อก็คิดว่าอสงสัยผู้หญิงคนนี้คงจะเป็นญาติของพวกเขาแล้วก็เข้าหมู่บ้านไม่ได้ก็เลยเดินมาด้านหลังแทนต่อมาเสียงผู้หญิงคนเดิมก็เลยเรียกว่าแดนแดนซึ่งชื่อนี้พ่อไม่รู้ว่าเป็นชื่อใครก็เลยไม่ได้ใส่ใจทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เลยเรียกอีกค่ะบอกว่าเมนเมนมันคือชื่อเล่นของพ่อ พ่อตกใจค่ะและในจังหวะนั้นพ่อไม่สามารถขยับตัวได้แล้วก็เกิดอาการอึดอัดแน่นหน้าอกพ่อพยายามเรียกแม่ที่นอนหลับอยู่ข้างๆหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะอีกทางรู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังจะเดินเข้าบ้านของตนเองพ่อกลัวว่าแม่แล้วก็ลูกๆจะได้รับอันตรายก็เลยเหลือบตาไปมองที่รูปปู่แล้วก็พูดในใจบอกพ่อครับช่วยผมด้วยมันจะเข้าบ้านผมแล้ว พูดจบพ่อก็เด้งตัวลุกขึ้นมานั่งใจเต้นรัวด้วยความกลัวส่วนแม่ก็ยังคงหลับปุ๊ยไม่รู้เรื่องอะไรพ่อก็เลยหยิบนาฬิกามาดูถึงรู้ว่าตอนนั้นเป็นเวลาตี 3.33 นาทีพอดีพ่อก็เลยตะโกนลั่นบ้านบอกอิสัต์กูนอนไม่พอซึ่งอันนี้ทำให้เรากับน้องๆสะดุ้งตื่นแล้วก็เข้าใจว่าพ่อเนี่ยนอนละเมอนะคะเรื่องที่3เป็นเรื่องของห้องประถมพยาบาลคุณผู้ฟังเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะ อันนี้เป็นเรื่องของคนที่เป็นเจ้าของกระทู้เองค่ะบอกว่าสมัยที่ได้งานทำเป็นงานแรกในชีวิตก็ต้องอยู่ในไซต์งานก่อสร้างที่เต็มไปด้วยคนงานแล้วก็พม่ากัมพูชาเวลาไปทำงานก็ตื่นพร้อมพ่อนั่นแหละคือเวลาตีสี่ครึ่งเพราะว่าไซต์งานก่อสร้างที่ทำงานเนี่ยเป็นทางผ่านที่พ่อไปทำงานพอดี วันนึงพ่อแวะมาส่งที่ไซต์งานก่อสร้างซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาตี55นาทีท้องฟ้า ย, ยังคงมืดอยู่แต่ว่าคนงานพม่าแล้วก็กัมพูชาที่คือตื่นกันหมดแล้วเดินกันพลุกพล่านเลยแลหละค่ะยังกับตลาดนัดตัวของผู้เล่าเรื่องเองบอกว่ามีอาการง่วงเป็นอย่างมากก็เลยต้องการที่จะนอนต่อเพื่อให้มีแรงทํางานในเวลา8ปดโมงครึ่งก็เลยขอให้แม่บ้านชาวกัมพูชาเนี่ยเปิดประตูออฟฟิศให้เพื่อที่จะเข้าไปนอนต่อในห้องปฐมพยาบาลประจำไซต์งาน ตอนแรกเขาก็ทำท่าเหมือนไม่อยากจะเปิดอะนะคนที่เป็นเจ้าของเรื่องก็เลยบอกเราง่วงมากเขาก็เลยยอมเปิดให้พอเข้าไปในออฟฟิศได้ก็ตรงดิ่งเข้าไปนอนที่ห้องปฐมพยาบาลทันทีค่ะซึ่งขณะนั้นภายในออฟฟิศคือมืดแต่เพราะความง่วงแล้วก็ทุกสิ่งเราก็เลยไม่กลัวอะไรแล้วก็เปิดแอร์ปิดไฟห่มผ้าอย่างสบายใจ จนสักพักหนึ่งมีความรู้สึกว่าพ่อห่มมันค่อยๆไหลลงไปด้านล่างเตียงก็เลยดึงมันกลับขึ้นมา ท, ทั้งทังที่ตายังปิดอยู่พร้อมกับพลิกตัวนอนตะแคงหันหลังให้อีกเตียงที่ว่างเปล่าสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังแบบนี้ประมาณนี้อ่าเป็นเสียงเก้าอี้ดังเอียดนะคะเสียงคล้ายกับวัตถุหนักถูกวางลงบนเตียงอ่ะจนเกิดเสียงก็ตกใจนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าแม่บ้านเนี่ยคงจะเข้ามาทําความสะอาดแต่ว่าเห็นเราหลับอยู่จึงไม่กล้าเปิดไฟก็เลยนอนต่อโดยไม่ได้สนใจอะไร แต่ว่อีกไม่กี่นาทีต่อมาค่ะพ่อห่มก็ถูกเลื่อนลงไปด้านหลังก็เลยลืมตาแล้วก็นอนนิ่งให้มากที่สุดเพื่อจะพิสูจน์ว่าพ่อห่มมันเลื่อนเองจริงๆซึ่งมันก็เลื่อนเองเหมือนกันค่ะตามที่คิดไว้ใจคอก็ไม่ดีและคิดว่าคนงานต้องแอบเข้ามาในออฟฟิศแน่นอนพอคิดได้แค่นั้นไม่นานก็มีเสียงผู้ชายแก่ๆข้างหูกระซิบข้างหูมานะคะบอกว่าหนาว เจ้าของเรื่องบอกร้องเฮ้ยเสียงดังมากและลุกขึ้นมาเปิดไฟทันทีปรากฏว่าภายในห้องปถมพยาบาลเนี่ยมีอยู่แค่เจ้าของเรื่องคนเดียวนาทีนั้นไม่ได้คิดอะไรต่อแล้วล่ะค่ะรีบเดินออกจากห้องไปเปิดไฟทั้งหมดและออกมานอนหนุนแขนตัวเองตรงหน้าโต๊ะผู้จัดการจากการพูดคุยกับพยาบาลประจําซต์งานก่อสร้างเธอบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเคยมีคนงานเสียชีวิตเพราะตกบ่อน้ำก่อนหน้าที่เราจะมาทํางานเพียงไม่กี่อาทิตย์นี้เอง ขอบคุณเว็บไซต์พันทิปแล้วก็เจ้าของเรื่องด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจนจบด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวบีจะนําเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อสปีที่ผ่านมาค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้าคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้านาง ขอเท้าความหลังกลับไปนะคะคุณลบกับน้านางในตอนเด็กเนี่ยจะไม่ถูกกันเลยค่ะโดยคุณลบก็จะไปเล่นกับลูกของน้านางที่ชื่อว่าเบียเวลาที่คุณลบไปเล่นน้านางก็จะดูเหมือนว่าไม่ค่อยชอบให้คุณลบไปเล่นกับลูกเา้าชอบไล่คุณลบกลับมีอะไรก็ชอบว่าชอบด่าคุณลบอยู่ตลอดเวลาคุณลบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมนะคะน้านางถึงไม่ชอบคุณลบ พอโตขึ้นคุณลบก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพแล้วคุณลบก็ได้กลับไปบ้านเมื่อ2ปีที่แล้วก็เห็นว่านานางเนี่ยเป็นคนที่ติดเหล้าค่ะแกกินเหล้าทุกวันเรียกได้ว่ากินเหล้าแทนน้ําเลยก็ว่าได้ถ้าไม่ได้กินเนี่ยมือไม้สัน่นคุณลบเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารนะคะคุณลบนั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของโหราศาสตร์ค่ะก็เรียนเกี่ยวกับการดูดวงตอนที่คุณลบกลับไปบ้านาน้นางก็มาหาคุณลบแล้วก็ถามว่ากลับมาแล้วหรอ กลับมาทําไมคุณลบก็ตอบไปบอกกลับมาอยู่บ้านครับน้านางก็ถามว่าแล้วไม่ทํางานแล้วหรอคุณลบก็เลยบอกไปบอกยังไม่ทําครับเดี๋ยวไปหางานทําใหม่น้านางก็เลยถามว่าดูดวงให้น้าหน่อยได้ไหมคุณลบก็เลยถามว่านาจะให้ผมดูดวงทําไมนาก็บอกว่านาฝันไม่ค่อยดีคือน้าเนี่ยบอกว่าฝันเห็นณนนีณนนีก็คือแฟนน้านางที่ตายไปแล้วเกิดอุบัติเหตุตา ย, ตายนะคะมาชวนไปอยู่ด้วยแล้วก็ฝันเห็นปู่ชวนน้ไปอยู่ด้วย คุณลบก็เลยบอกไปว่าได้เดี๋ยวผมดูให้พอคุณลบดูได้สักพักหนึ่งตัวเลขที่มันออกมาเกี่ยวกับน้านางมันก็ดูว่างเปล่าค่ะเหมือนกับว่าอนาคตข้างหน้าของแกนี่ไม่มีอะไรเลยเหมือนคนหมดอายุขายพอคุณลบบอกน้าไปก็เหมือนคนหมดอายุขายน้านางก็บอกมีคนข้างบ้านเขาจะซื้อประกันชีวิตให้กับแกถ้าน้าตายไปคนพวกนี้เขาก็จะได้เงินจากน้าเยอะเลยนะคนซื้อเนี่ยได้เท่านี้คนซื้อนั้นได้เท่านั้น คุณลบก็เลยพูดไปว่าน้านางทําไมชอบแช่งตัวเองแบบนั้นล่ะแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะไปหาพระน้านางจะไปด้วยกันไหมไปอาบน้ำมนต์น้านางบอกไม่ไปหรอกพอตกเย็นมาค่ะคุณลบก็ได้ข่าวจากหลานว่าน้านางเนี่ยแกหล่นลงจากมอเตอร์ไซค์หัวฟาดถนนคุณลบก็เลยถามหลานว่าแล้วน้านางหล่นได้ยังไงหลานก็บอกตอนนั้นผมไปร้านค้าก็ไปเจอแกซื้อเหล้าอยู่ แล้วแกก็ขอขึ้นรถมากับผมคุณลบก็ถามว่าแล้วทำไมมึงไปทำเขาหล่นรถละ่ะหลานก็บอกก็แกไม่ยอมกอดผมอะ่ะแกกอดแต่ขวดเหล้าคุณลบก็ถามแล้วอาการน้านางเป็นยังไงบ้างหลานก็บอกหัวบวมๆแต่ไม่แตกตอนนี้ก็อยู่บ้านไม่สามารถกระดุกกระดิกได้ก็เลยต้องเอารถอปรพอรเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลทีนี้คนที่ซื้อประกันชีวิตให้น้านางก็มาด้วยค่ะ แล้วก็บอกว่าพี่นางแกอย่าเพิ่งตายนะให้มันครบกำหนดซะหน่อยถ้าครบแล้วแกจะตายก็ได้ไม่มีใครว่าแกหรอกให้ฉันได้เงินก่อนพอคุณลบได้ยินแบบนั้นก็อารมณ์ขึ้นค่ะคนคนนี้เนี่ยมันหวังแต่ผลประโยชน์แทนที่จะดูแลกันพอหมอเอกซเรย์ ray, หมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแค่กระทบกระเทือนหัวปูดเฉย แล้วก็พาณานางเนี่ยกลับมาบ้านแต่ว่าน า, นางก็ยังคงกระดุกกระดิกอะไรไม่ค่อยได้แล้วนาก็เรียกคุณลบเข้าไปหาแล้วบอกลบเอ้ยเรื่องที่ผ่านมาที่นาชอบว่าชอบด่านะขอโทษนะคุณลบก็บอกไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรผมไม่ถือสาไม่ว่าหรอกบางทีผมอาจจะดื้อก็ได้ณานางก็บอกขอโทษนะแล้วนาก็เรียกตาของคุณลบมาแล้วก็พูดว่าพ่อใหญ่ฝากลูกฝากไอ้เบียฝากอีแก้วด้วยนะตาก็บอกไม่เป็นไรหรอกนาะงเอ้ยเดี๋ยวก็หายแล้วคุณลบก็บอกเดี๋ยวข้าวปลาผมหามาให้กินเอง แต่คนอื่นที่เขามาดูเนี่ยไม่มีใครที่จะช่วยเลยมีแต่แบบจะให้น้านางไปทำงานบ้านแล้วก็เอาเล่าล่อให้กักนึงทำงานทั้งวันแทนที่จะให้เงินให้ข้าวคุณลบก็รู้สึกคนพวกนี้เนี่ยมันมันไม่น่าขบเลยพอตกตอนเย็นค่ะคุณลบก็ทำกับข้าวมาให้น้านางป้อนข้าวน้านางแต่ว่าระหว่างที่กําลังกินข้าวอยู่น้านางก็พูดว่าลบน้านีชวนนาไปอยู่ด้วย หลังจากนั้นตอนหนึ่งทุ่มค่ะคุณลบ ก, ก็กลับมาอีกครั้งเพื่อจะเช็ดตัวให้น้นางแต่ว่าตอนนั้นตาของน้นางก็เริ่มเหลืองเริ่มเพ้อไปเรื่อยๆแล้วก็เหงื่อออกจากตัวน้นางเยอะมากเป็นเป็นเหงื่อเหมือนมึกๆอะค่ะเป็นเมือก ๆ, ฮะฮะอกๆอย่างๆที่ทางบ้านบ้านของบีนะเขาจะเรียกว่ายางตายนะคะพอคุณลบจับดูก็เหมือนกับเป็นเมือกของปลาคุณลบ ก, ก็เช็ดให้แกแล้วก็ถามว่าน้นางอยากกินอะไรอีกไหมแต่น้นางมองคุณลบด้วยตาขวางคุณลบก็ถามว่าน้นางเป็นอะไร น า, นางตอบไม่เป็นไรกูอยากนอนคุณลบก็บอกอ่ะถ้าอยากนอนนอนนะเดี๋ยวผมเอายาให้กินน า, นางก็บอกกูไม่กินเดี๋ยวกูก็หายแล้วจากแรกแๆที่พูดนะนะไปๆมาๆก็พูดกูมึงค่ะเริ่มแปลกละทีนี้คุณลบก็เลยกลับบ้านไปพอถึงบ้านคุณลบก็โทรหาลูกชายของนางนที่ชื่อเบียรที่ไปทํางานอยู่ที่พีจิตคุณลบก็บอกเบียว่าเบียรแม่มึงอหล่นจากรถหัวกระแทกมึงกลับมาได้ไหมเบียรก็บอกเฮ้ยฝากดูแลแม่กูหน่อยกูติดงานว่ะ คืองานของเบียเนี่ยมันเป็นคนขับรถแบ็คโรอยู่ในป่ากว่าจะขับรถออกมาอ่าอีกวันหนึ่งก็คือตีเป็น2วันนะคะกว่าจะออกมาได้นะคะจากหน้างานเบียก็เลยออกมาไม่ได้แล้วเบียก็บอกอีกว่ายังไงก็ฝากดูแลแม่หน่อยนะถ้ากูออกไปได้กูจะรีบไปคุณลบก็เลยบอกได้ได้ไม่เป็นไรพอ3ามทุ่มค่ะคุณลบจะเอาข้าวไปให้หน้านางแล้วก็จะไปดูแกด้วยพอคุณลบไปถึงคุณลบก็เดินไปเงียบๆมองหน้านางว่าเป็นอะไรหรือเปล่า คุณลบก็เห็นน้านางลุกขึ้นนั่งแล้วก็เลียแขนตัวเองแล้วก็ดูดเมือกที่แขนตัวเองคุณลบก็คิดว่าเอ๊ะทำไมแกทําแบบนั้นวะคุณลบก็เลยเรียกน้นางทํำไรน่ะพอน้นางได้ยินคุณลบก็เรียกก็ลงไปนอนลงเหมือนเดิมแล้วก็ตอบว่าเปล่ากูร้อนคุณลบก็บอกว่าถ้าร้อนเดี๋ยวผมเปิดพัดลมให้แล้วก็เดินไปเอาพัดลมมาเปิดพอเปิดเสร็จคุณลบถามน้นางอีกครั้งน้นางลุกขึ้นมาทําอะไรผมถามจริงๆรน้านางก็บอกเปล่าวันถัดมาค่ะคุณลบก็มาดูแลน้นางตามปกติ แต่ว่าอาการเนี้ยมันจะเริ่มตอนประมาณสัก4โมงเย็นจนถึง 5-6 โมงเย็นนะคะคุณลบก็ถือข้าวต้มแล้วก็เอาไปให้แกคุณลบก็เหมือนเห็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งกึ่งทานกึ่งวิ่งแล้วก็กระโดดไปที่หน้าต่างบ้านของหน้านางแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างใน คุณลบก็เลยตกใจค่ะเดินตามเข้าไปเห็นผู้หญิงคนแก่คนนึงใส่ผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเชา้ายืนมองหน้านางที่นอนอยู่บนเตียงแต่พอคุณลบใกล้จะถึงคนแก่นั้นก็รีบเดินไปทางห้องครัวคุณลบคิดว่าใครมันเข้ามาดูหน้านางวะแต่ก็ยังดีค่ะที่มีคนเข้ามาดู แล้วคุณลบก็เดินไปหาหน้านางชวนหน้านางกินข้าวแต่ว่าหน้านางเนี่ยนอนอยู่คุณลบก็เลยเดินเข้าไปดูที่ห้องครัวว่ามีใครหรือเปล่าแต่พอเดินเข้าไปดูก็ไม่เจอใครค่ะทั้งทังที่ประตูหลังบ้านเนะี่ยถูกล็อกอยู่ถ้าคนจะออกไปได้ยังไงก็ต้องมีกุญแจไขแล้ววะหรือว่าก็ต้องอยู่ในห้องน้ําแต่ก็ไม่มีเหมือนเดิม ซึ่งตอนนั้นคุณลบนะคะก็เริ่มใจไม่ดีแล้วค่ะแล้วก็เลยรีบเดินกลับไปหาหน้านางเรียกหน้านางกินข้าวแล้วหางตาคุณลบก็เห็นว่าเหมือนมีคนแก่ชะโงกแอบมองอยู่ตรงประตูพอคุณลบหันไปมันก็หลบคุณลบก็เลยใจคอไม่ดีกลับบ้านไปเล่าเรื่องนี้ให้ตาฟังผมเห็นแบบนี้จริงๆตาบอกตาก็บอกว่าอะลองเอาพระให้มันใสซ่ซิแต่ถึงเอาพระไปให้ใสก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอาการก็เหมือนเดิม จนลูกของน้านางเนี่ยชื่อเบียรกลับมานะคะคุณลบก็บอกกับเบียรว่าเบียรแม่มื่ออาการแบบนี้นะพอเบียรรู้แบบนี้เบียรและแฟนก็ไม่กล้าที่จะนอนกับแม่ที่บ้านแล้วค่ะต้องมานอนที่บ้านคุณลบแฟนแล้วก็คุณเบียรก็บอกว่าพี่หนูนอนไม่ได้หรอกหนูกลัวอาการของน้านางตอนนั้นคือลุกขึ้นนั่งได้แต่เดินไม่ได้ถ้าจะเดินต้องใช้ไม้เท้าคำ้ำคุณลบก็บอกเบียว่าเบียรแม่มึ่มึงไม่ดูเหรอคุณเบียรก็เลยตอบคุณลบไปนะะีคะบอกว่าไอ้ดูนะดู แต่ว่าเมียกูน่ะมันกลัวก่อนที่เบียรจะไปนอนบ้านคุณลบเบียก็บอกกับแม่ว่าแม่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมมาดูนะแต่สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็คือตอนเที่ยงคืนค่ะน้นางเดินตัวปลิวโดยไม่ใช้ไม่เท้ามาที่บ้านคุณลบผมกระเสาะกระเซิงมาเลยค่ะแล้วนานางก็พูดกับเบียรว่าเบียไปนอนกับแม่เถอะพาลูกพาหลานไปนอนกับแม่เถอะเบียรก็อยากจะไปนะแต่ว่าลูกสะพ้ายนี่ไม่กล้าไปค่ะเพราะว่าตอนกลางวันน้นางมองตาขวางมองตาแปลกๆคุณลบก็บอกถ้ามึงไปนอนกูก็ไปนอนเป็นเพื่อนได้ เบียก็เลยบอกแม่ไปว่าเดี๋ยวผมไปคุณลบก็บอกกับแม่ก็คือหน้านางเนี่ยนะคะเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวไปแล้วคุณลบก็เดินไปส่งหน้านางให้หน้านางนอนสุดท้ายเบียก็ไม่ได้ไปนอนนะคะวันถัดมาค่ะวันนี้อาการหนักเพอ้อทั้งวันตาเหลืองอาการเหมือนคนอยากกินเหล้าแต่ไม่ได้กิน คุณลบก็บอกเบียว่าเบียมึงไปซื้อเหล้าให้แม่มึงกินสักหน่อยแปะถาา้นานางน้านางเนี่ยพูดเพ้อว่าเดี๋ยวพ่อมึงก็มารับกูแล้วปู่มึงก็มาหากูเนี่ยซึ่งคนที่น้นางพูดถึงนี่คือคนที่ตายไปหมดแล้วนะคะคุณลบก็เลยบอกกับเบียรว่าพาแม่ไปหาพระเถอะตอนแรกน้นางก็ไม่ยอมไปต้องอุ้มขึ้นรถไประหว่างทางผ่านตรงไหนที่เกิดอุบัติเหตุตรงไหนมีคนตายน้นางก็จะชี้แล้วก็พูดว่าเนี่ยมีผู้หญิงยืนอุ้มลูกอยู่เนี่ย มีแต่หัวเนี่ยหัวเละเลยเนี่ยพอมาถึงวัดหลวงพ่อก็พูดบอกเอามาทําไม่เนี่ยโยมคนมันถึงเวลาแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วถึงเวลาเขาแล้วถึงจะอาบน้ำมนต์ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกโยมทําใจเถอะพอเอากลับบ้านนะคะอาการของหน้านางก็เป็นหนักค่ะนอนหันไปคุยกับใครก็ไม่เหมือนพูดอยู่คนเดียวแยกเคี้ยวยิงฟันทําตาเหลือกปากพูดมุบมิบมุบมิบและเสียงหน้านางที่คุณลบได้ยินประมาณว่ากูยังไม่ไปกูยังไม่อยากไปมึงไม่ต้องมา คุณลบก็บอกกับเบียรว่าถ้าจะไม่ดีแล้วเอาไปโรงพยาบาลเถอะเบียรก็บอกว่าลองดูอาการอีกสักวันไม่ได้หรอคุณลบก็บอกว่าอย่าดูเลยแม่มึงไม่ไหวละพอมีใครไปพยุงให้นั่งน้านางก็จะหันหน้ามาแล้วก็ทำตาหลึกๆทำปากขมุบขมิบเหมือนแยกเคี้ยวยิงฟันใส่คุณลบก็พูดกับน้านางว่าน้านางเป็นลายใจเย็นนะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลแต่กว่าคุณเบียรจะตัดสินใจได้ก็ตอน5้าทุ่มละ ล้กะช่วงเย็นที่ผ่านมาน้านางก็เพอ้อถึงคนตายอยู่ตลอดเวลาเห็นใครต่อใครไม่รู้อุ้มลูกมาไอ้คนนี้เดินมาหามาเดินรอบเตียงชวนไปอยู่ด้วยคุณลบก็อยู่ใกล้ๆก็ขนลูกไปพอห้าทุ่มจะอุ้มน้านางขึ้นรถไปโรงพยาบาลแต่ว่านานางไม่ยอมขึ้นพอชวนคนข้างบ้านให้ไปช่วยอุ้ม แต่ก็ไม่มีใครคิดจะไปช่วยเลยนะคะก็มีแค่คุณลบคุณเบียร์แล้วก็ลูกสะพ้ายแล้วก็คุณตาที่ไปช่วยคนอื่นๆก็เหมือนเห็นแก่ตัวค่ะไม่ยอมช่วยทําแค่มายืนมองแล้วก็พูดว่าอย่าเพิ่งตายนะอีนางเอ้ยให้ฉันได้เงินก่อนแล้วแกค่อยตายพอคุณลบได้ยินแบบนั้นก็อารมณ์เสียอยากจะกระโดดถีบเบ้าหน้าสักที2ทีค่ะคุณลบบอกทีนี้จะอุ้มไปนั่งในรถก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากลิ่นตัวนะงนางแรงมากเอาเข้าไปก็ไม่ยอมจนต้องถอยหลังเปิดกระบะเอาผ้าไปปูแล้วก็อุ้มขึ้น แต่ว่าคนสองคนเนี่ยอุ้มหน้านังไม่ขึ้นคุณเบียรก็ เ, เอามือสอดใต้รักแร้นะคะคุณลบก็ยกขาแต่ยกไม่ขึ้นเหมือนว่ามีคนไปเหยียบอยู่ในช่วงกลางตัวก็เลยทําให้ยกไม่ขึ้นค่ะแต่จนแล้วจนรอดก็อุ้มหน้านังขึ้นรถไปได้อย่างทุลักทุเลแล้วคุณลบก็บอกให้คุณเบียรให้ขับรถไปโรงพยาบาลแต่ว่าหน้างพูดว่ากูไม่ไปกูไม่ไปพูดไม่ไปอย่างเดียวร้องกังวลกวายกัดเคี้ยวกัดฟันพูดตอนที่ขับรถไปที่โรงพยาบาลคุณลบกับลูกสะภ้อยู่หลังกระบะ คอยดูหน้านางคุณลบก็บอกกับแน้นางว่าใจเย็นๆนะทำใจดีๆหน้านางนะเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็หายพอผ่านไปสักครึ่งทางค่ะตรงนั้นจะมีศาลเจ้าซึ่งคนแถวนั้นเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีแล้วหน้นางก็พูดขึ้นว่ากูไม่ไปกูไม่อยากผ่านตรงนั้นมึงอย่าพากูผ่านตรงนี้ และพอรถผ่านก็มีเสียงลมสวนหน้าหน้านางออกมาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นๆออกมานะคะแล้วหน้านางก็นิ่งไปพักหนึ่งพอมาถึงโรงพยาบาลค่ะหมอบอกว่าโหต้องทําใจนะเพราะตับนี่หายไปแล้วนะลําไส้นี่เน่าหมดแล้วนะแต่ทําไมถึงยังอยู่ได้เนี่ยหน้านางก็ยังคงเพ้อเหมือนคุยกับใครที่โรงพยาบาลแล้วก็พาหน้านางไปอยู่ห้องรวมทีนี้เนี่ยหน้านางแกก็อาเจียนออกมาค่ะคนที่อยู่ในห้องรวมทั้งหมดก็อยากจะเออ ก, ก็จะออกมาหมดเพราะมันเหม็นมาก คนอื่นก็ถามว่าทําไมมันเหม็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยตอนนั้นคุณลบก็คิดว่ายังไงน้นานางก็ต้องตายแนย่ทำใจไว้ก่อนเช้าต่อมาน้นานางก็เสียชีวิตค่ะแล้วพอตายปุ๊บหมอก็บอกน้ำเหลืองเนี่ยดันออกมาทางหูทางจมูกเอาสำลีมาอุดทุกรูแต่น้ำเหลืองก็ดันออกมาจนหมดเพราะข้างในมันเน่ามาัางนานละไม่น่าจะมีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้ หลังจากนั้นก็เอาตัวหน้านางไปจัดงานศพที่วัดค่ะวันเผาก็จะแบกลงขึ้นไปเผาคุณลบก็แบกลงอยู่ตรงส่วนหัวก่อนจะไปเผาก็ต้องวนรอบเมนแล้วระหว่างที่เดินวนเนี่ยคุณลบเห็นหน้านางหันมาหาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ยักคิ้วให้ทีหนึ่งคุณลบก็ร้องเฮ้ยคนที่แบกลงมาด้วยกันหามึงเป็นไรคุณลบก็บอกเห็นหน้านางยักคิ้วให้แล้วก็ยิ้มให้หลังจากที่เผาเสร็จเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะตกกลางคืนคุณลบก็ฝันฝันว่าหน้านางมาขอโทษตอนเด็ก ที่ชอบด่าชอบว่าอะไรเองอย่าถือสานะโหสิให้น้านะและน้าก็ไม่เคยคิดเลยว่าน้าจะต้องมาตายกับเองมาอยู่กับเองให้เองดูแลจนกระทั่งน้าตายคนอื่นที่น้าคิดว่าเขาดีกับนา้าแต่เขาไม่เคยดีกับน้าเลย ส่วนคนแก่ที่คุณลบเห็นนั้นเนี่ยคุณลบก็รู้นะคะว่าเป็นใครซึ่งคนแก่คนนั้นเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะซึ่งคนในหมู่บ้านคาดว่าน่าจะเป็นปอบมาสิงร่างของน้านางเพราะว่าน้านางเนี่ยแก่เสียไปตั้งนานแล้วและทุกวันนี้คนแก่ที่คาดว่าเป็นปอบคนนั้นก็ยังคงมีชีวิตอยู่เรื่องราวก็จบประมาณนี้ค่ะมีอีกเรื่องราวเรื่องราวนึงนะคะที่บีนํามาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประสบการณ์ที่คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรมาเล่าในเดอะช็อคนะคะ เป็นเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องแปลกๆที่ประสบพบเจอมาเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะขออนุญาตใช้ชื่อย่อนะคะว่าคุณเอ็มกลละการนะคะเป็นนามสมมุติโดยปกติคุณเอมเนี่ยจะวิ่งรถขึ้นทางภาคเหนือ2ครั้งต่อปีเนื่องจากทางญาติผู้ใหญ่เนี่ยได้ย้ายไปตั้งหลักปักฐานที่นั่นแล้วครอบครัวก็มีบ้านที่นั่นด้วยคือซื้อไว้เวลาขึ้นไปเที่ยวนะคะทีแรกก็กะว่าจะซื้อไว้ให้พ่ออยู่ช่วงอายุเยอะๆ ด้วยที่ทำงานประจำหยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดราชการเวลาขึ้นไปก็จะขึ้นไปช่วงหยุดยาวหรือไม่ก็ช่วงเทศกาลค่ะถ้าคนที่ขึ้นเหนือบ่อยๆน่าจะทราบดีว่าเส้นทางหลักที่จะขึ้นทางสายเอเชียอายุทยาอ่างทองสิงห์บุรีไปเรื่อยๆจนถึงนครสวรรค์แต่จะมีอีกสายหนึ่งที่ใช้สาหรับเลี่ยงช่วงเทศกาล ร, รถติดนั่นก็คือเส้นสุพรรณบุรีชัยนาทแล้วก็ตัดไปที่เอเชียที่อาเภอมโนรมนะคะ คุณพ่อของคุณเอ็มปัจจุบันเสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งเวลาที่คุณพ่อจะขึ้นทางเหนือเนี่ยคุณพ่อจะสอนว่าให้ออกกลางคืนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันจะไม่มีกล้องจับความเร็วตํารวจทางหลวงจะใช้รถทางหลวงจอดแอ บ, บถ่ายรูปแล้วก็ไปด้านหน้าอีกเหตุผลหนึ่งคือทําเวลาได้เนื่องจากรถน้อยมากแทบจะไม่มีรถเลย ประมาณปี2553ค่ะซึ่งเป็นช่วงปลายปีคุณเอ็มมีโอกาสขึ้นไปเที่ยวที่ภาคเหนือปกติจะไปกันประมาณ 4-6 คนมีพี่ๆน้องๆไปด้วยกันคราวนี้ก็จะเป็นรถพี่ชายเนี่ยซึ่งเป็นรถครอบครัวค่ะจะเป็นรถแบบ MPV แต่ว่าครั้งนั้นเขาติดงานก็เลยต้องแยกเป็นสองคันโดยคุณเอ็มบอกว่าขอไปก่อนแต่ว่าใจจรนะิงเนี่ยอยากจะไปเที่ยวแม่กำปองเลยเวลาก่อนวัน ไม่งั้นคนอื่นเนี่ยเที่ยวมันจะเยอะมากก็เลยนัดน้องชายไปด้วยเนื่องจากว่าปิดเทอมก็เลยชวนกันไปเที่ยวด้วยพอถึงวันก็จัดเตรียมกระเป๋าค่ะแล้วก็นอนเอาแรงตื่นมาตอนห้าทุ่มเปิดฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับจราจรก็เห็นว่าเส้นเอเชียรถติดมากขนาดเป็นวันก่อนวันหยุดยาวหนึ่งวันนะคะแต่ก็ยังติดแต่ว่าเส้นสุพรรณบุรีรถเยอะ โล่งวิ่งได้ก็เลยคิดว่าไปเส้นนี้ดีกว่าโล่งขับสบายถึงเชียงใหม่ลำปางก็คงราวๆ8โมงได้สบายนอนพักแป๊บหนึ่งค่อยไปเที่ยวแม่กำปองมากัน2คนค่ะคุณเอ็มกับน้องชายซึ่งระหว่างทางที่เดินทางมาเนี่ยนะคะน้องชายอายุมัน17ปีขับรถยังไม่แข็งแล้วก็ไม่มีใบขับขี่หลับอยู่ ก็เลยรถรถก็เริ่มน้อยลงนีคะว่ากว่าว่าคันคันหนึ่งประมาณ 200-300 เมตรเลยแรกแรกก็ไม่กลัวค่ะก็ระแวงอยู่เหมือนกันนะคะพอมาเส้นทางนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีรถแต่พอเข้าจังหวัดชัยนาทค่ะสองข้างทางเป็นทุ่งนาไม่มีไฟทางเริ่มมีบรรยากาศความหลอนเข้ามาบ้างละข้างหน้าเนี่ยเป็นไฟสีแดงลิบลิบ แบบไฟท้ายรถสิบล้อนานๆเราจะแซงคันหนึ่งพอแซงแล้วถนนก็โล่งยาวก็พากันหลอนยาวมากคุณเอ็มปลุกน้องชายขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนเนื่องจากว่าเปลี่ยวค่ะกลัวทั้งคนกลัวทั้งผีพอตื่นมาน้องก็ถามถึงไหนแล้วทํไมมันมืดจังคุณเอ็มบอกว่าถึงชัยนาทแล้วเขาก็ตกใจแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมมันไม่มีรถพี่หลงป่าเปล่า ก็เลยบอกว่ามาถูกแล้ววิ่งตามป้ายมาเรื่อยๆนี่แหละซึ่งปกติช่วงเทศกาลมันจะมีป้ายชั่วคราวนะคะที่เขียนว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงนะคะเป็นพื้นขาวๆตัวหนังสือสีแดงตลอดทางเพื่อให้ผู้ใช้รถเนี่ยได้เลือกใช้ในกรณีรถติดหรือว่าอยากจะเลี่ยงทางหลักช่วงที่กําลังเพ่งเส้นทางเพราะว่าเปิดไฟสูงตลอดเนื่องจากมืดแล้วก็ไม่มีรถสวนมาเลยนานๆจะมีคันหนึ่งค่อยดิฟไฟลงจังหวะนั้นนะคะ คุณเอ็มเห็นถนนที่จะวิ่งไปเนี่ยมันมีสีแดงทึมๆเหมือนคนทำสีหกหรือไม่ก็เลือดแบบแดงคล้ำๆกองใหญ่สาดเต็มอยู่ทั้งสองเลนก็เลยตกใจค่ะน้องก็เห็นเหมือนกันหลังจากที่สกิดให้ดูยาวประมาณ20เมตรตอนนั้นกลัวรถถลายลื่นมากจมูกเริ่มดมเผื่อได้กลิ่นของเหลวสิ่งนั้นเข้ามาในรถปรากฏว่ากลิ่นนั้นออกคาวๆแต่ว่าไม่แรงเนื่องจากว่ารถเนี่ยเป็นรถของคุณเอ็มมีพวก ดับกลิ่นเยอะนะฮะก็เลยชลอรถเข้าข้างทางดูว่ามีอะไรติดมาหรือเปล่าแต่ว่าถนนช่วงนั้นคือมันมืดก็เลยบอกน้องว่ารอถึงโซนสว่างค่อยจอดดูพอขับมาประมาณ1กิโลเมตรก็จอดดู2ข้างทางไม่มีบ้านคนค่ะแต่ว่าเป็นสามแยกเล็กๆ ก, ก็เลยพอมีไฟทางให้จอดดูไม่น่ากลัวมากซึ่งตามปกติเวลาขับผ่านพวกของเหลวเช่นน้า หรือว่ายางมาตอยพวกนี้มันจะต้องมีอะไรดีดขึ้นมาบนรถบ้างมาติดบางคนบ้างแต่ว่าอันนี้น่าแปลกนะคะคือมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ฝุ่นติดแค่นั้นซึ่งก็ไม่ได้ตาฝาดแน่ก็คิดในใจว่าไม่ใช่แล้วโดนแน่ๆก็เลยกดโทรศัพท์โทรถามพี่ชายเรื่องเส้นทางตอนกดโทรเนี่ยที่โทรศัพท์ก็มีสัญญาณ2สามขีดก็พอโทรออกได้แต่กลับเงียบค่ะเงียบแบบทางเราไม่มีสัญญาณก็เลยตัดสินใจขับกันต่อไปแบบกลัวๆ ก็ยิ่งวิ่งยิ่งเปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆ2องทางทางก็เป็นทุ่งนาโล่งนะคะมีต้นไม้สูงลิบลับสลับกันบ้างยิ่งไม่ค่อยคุ้นเส้นทางป้ายทางเริ่มหายรถแทบจะไม่มีเลยมีแต่หลักกิโลเล็กๆนะคะเขียนว่าชัยนาทอีกกี่กิโลแต่ที่แปลกคือมีอําเภอสัพพะจุด ๆ, ๆไว้ก่อนอยู่ในหลักกิโลด้วยซึ่งปกติไม่เคยเข้ามาถนนสายนี้เลยขับมาประมาณกิโลหนึ่งไฟหน้ารถ ส่งไปโดนคนคนหนึ่งอยู่ห่างประมาณ300เมตรได้ดูระยะไกลน่าจะเป็นผู้ชายค่ะใส่ชุดแบบทำทำถนนนะะ่นะคะมีเสื้อสะท้อนแสงสีเขียวเป็นเส้นยืนนิ่งๆอยู่คนเดียวเอามือจับที่หัวคล้ายกับประคองไว้เวลานั้นประมาณตี3กว่ายืนแบบหันหน้าไปทางเดียวกับรถนะคะด้วยความที่พ่อถามอสอนมาตลอดว่าเวลาเห็นอะไรผิดปกติกลางคืนเนะี่ยอย่าทักอย่าตะโกนอย่าโวยวายให้ตั้งสติแล้วก็รีบออกจากตรงนั้นซะ บอกว่าถ้าโวยวายหรือว่าทักไปเนี่ยของมันจะเข้าตัวถ้าทำเฉยๆนิ่งๆไว้ไม่เป็นไรนะคะในใจก็คิดว่าเออเขาคงมาซ่อมถนนตอนนี้เนื่องจากว่าเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีรถใช้กันเยอะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลเจ้าหน้าที่ คนนี้ดูแลแถวแถวนี้ขับไปใกล้ๆ ก, ก็เริ่มเห็นว่าตัวเขาเปียกไปด้วยเลือดแน่นอนด้านศีรษะเหมือนจะผิดรูปบูบี้แล้วก็มีเลือดไหลลงมาตามตัวตอนนั้นไม่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุแน่แล้วคิดอย่างเดียวเลยว่าโดนหลอกแน่นอนก็เลยท่องน้โมค่ะขับผ่านไปแบบเร็วปีถามน้องชายว่าเห็นเหมือนกันไหมน้องบอกเห็นจะจเหมือนกัน ขับมาอีกระยะหนึงเกือบ2กิโลค่ะเห็นมอเตอร์ไซค์จอดนิ่งริมถนนสภาพพังยับเยินเหมือนโดนลากไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยพอพ้นตรงนั้นได้ไฟทางก็เริ่มมีก็เริ่มคุยกับน้องว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมยังไม่ต้องเล่าเดี๋ยวถึงปั๊มใหญ่จอดพักข้างทางตรงทางเข้านาครสวรรค์แล้วค่อยคุยก็เลยขับรถมาอีกประมาณ2กิโลค่ะเห็นเหมือนเหๆกันค่ะคนเดิมยืนอยู่ฝั่งเดิมเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาหันหน้าย้อนกลับมาทางรถ รอบนี้คือเริ่มมีการเคลื่อนไหวเดินกระเพกกระเพกเนี่ยคะแต่ที่ทำให้สติเกือบหลุดคือเขาเดินเอียงซ้ายแล้วก็แถเข้ามาในถนนกินเลนมาเกือบครึ่งเลนในใจคิดว่าชนเลยไหมแต่ก็กลัวว่าชนแล้วเขาจะเข้ามาในรถก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะชะลอความเร็วแล้วแซงออกขวาไปพอเข้าไปใกล้เขาก็หยุดกลางถนนทาท่าเหมือนจะโบกรถก็เลยเบี่ยงขวาค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆก้าวเดินมาแบบจะปิดทางรถไม่ให้ไป น้องก็เลยต้องร้องบอกเฮ้ยแบบตกใจคุณเอ็มพ้นตัวเขาไปได้อย่างก็เร่งคันเร่งให้สุดเลยขนลุกทั้งตัวค่ะน้องในท้องนโมดังมากตอนนั้นสติจะหลุดอยู่แล้วขับตรงอย่างเดียวไม่มองข้างทางไม่มองอะไรทั้งนั้นกระจกมองหลวงมองหลังไม่มอ ง, ไ ม, มองไม่มีรถตามมาสักคันหนึ่งตอนสุดท้ายขับเส้นนั้นมาได้เกือบ10บนาทีก็หลุดเข้ามาเส้นเรียบคลองรถเริ่มเยอะขึ้นขับม า, าถึงเส้นสายเอเชียก็แวะเข้าปั๊มก็จิ ก่อนเข้านะครสวรรค์ปั๊มนั้นเนี่ยขนาดใหญ่มีรถจอดพักมากมายมีร้านสะดวกซื้อและที่สําคัญมีพวกกู้ภัยจอดเพื่อสแตนบายเพื่อระ ง, งับเหตุอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะคุณเอ็มก็เลยรีบลงจากรถไปที่ที่คนเยอะแยะแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มหายกลัวแล้วแล้วก็เพราะว่ามันหลุดออกมาจากความมืดตรงนั้นแล้วไงก็มาดื่มกาแฟดื่มชาขนมกับพักรถพักคนสัก15นาทีนะคะแล้วก็เดินไปใกล้ๆกันกับกู้ภัยพอดีเสื้อด้านหลังเขียนว่าชัยนาทแล้วก็เป็นรหัส คุณเอ็มก็เลยเดา ว, ว่าเขาคงเป็นหน่วยจากชัยนาธมาช่วยดูแลน่าจะทราบข้อมูลบ้างก็เลยไปถามว่ามาจากไหนกันเนี่ยอะไรยังไงเรียบร้อยดีไหมครับเขาก็ตอบแบบโอเคเขาถามว่ามาจากไหนกทอมหอรือเปล่าแล้วปลายทางไปที่ไหนผมก็ตอบไปบอกว่าจะไปเชียงใหม่ทีนี้คุณเอ็มก็เลยตั้งคำถามกับทางด้านของพี่ๆกู้ภัยเลยนะฮะ บ, บอกพี่ครับเส้นอาเภอสับพระจุดๆเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าทาไมไม่มีรถวิง่ง เขาตอบมาแบบอึ้งเลยเขาบอกอ๋อเส้นนั้นรถพ่วงกับรถสิบล้อเอาไว้เลี่ยงดันช่างน้ำหนกักแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ไม่เข้าไปนะมันเปลี่ยวมันมืดมันน่ากลัวยิ่งรถบัสรถบ้านไม่มีคนเข้าไปหรอกเขาถามกลับมาอย่าบอกนะว่าเพิ่งออกมาแล้วเขาก็ยิ้มคุณเอ็มก็เลยบอกใช่ครับเจอมาเลยด้วย และเขาก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดค่ะเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยเจอกันบ่อยน่าจะเป็นพี่ดมแน่ๆและเขาก็เล่าว่าพี่ดมเนี่ยคือคนทำทางพื้นเพย์เป็นคนนครสวรรค์แต่ว่าการทางนี่เกณฑ์เจ้าหน้าที่ไปช่วยทำถนนเส้นนั้นวันหนึ่งประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นขับรถกำลังจะกลับบ้าน รถพ่วงไม่เห็นพี่เขาก็เลยชนแล้วก็ลากยาวไปเลยเสียชีวิตคาที่ค่ะคามอเตอร์ไซค์ของเขาเลยเรื่องนี้ประมาณปีกว่าๆแล้วเขาก็เลยแนะนำว่าพรุ่งนี้7็ดโมงเช้าถ้าสะดวกก็แวะตากบาทให้พี่เขาหน่อยละกันเหมือนพี่เขามาขอส่วนบุญคุณเอมก็เลยขอบคุณแล้วก็เล่าให้น้องฟังพอเจ็ดโมงกว่าถึงจังหวัดตากก็เลยแวะใส ตักบาตรทาบุญเนี่ยค่ะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พี่เขาพอถึงบ้านที่ภาคเหนือก็นอนหลับกันค่ะกะว่าจะนอนสักสองชั่วโมงค่อยออกเที่ยวต่อช่วงนั้นช่วงที่หลับเนี่ยก็ฝันเห็นผู้ชายใส่ชุดทําทางท่าทางกํายําผิวคล้ําตัวใหญ่แต่ดูใจดีค่ะยิ้มให้แล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณคุณเอ็มในความฝันนะแล้วก็เรื่องราวของคุณเอ็มก็มีอยู่ประมาณนี้เนะะี่ยค่ะอาจจะไม่น่ากลัวแต่ว่าตอนนั้นในสถานการณ์นั้น คุณเอมบอกขนลุกทั้งตัวใจแทบหลุดออกไปข้างนอกเลยขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยนะคะที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังในเดอะช็อคค่ะบี B. ก็นำมาเรียบเรียงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยได้ฟังนะคะหากย้อนอดีตไปเมื่อสมัยที่ประเทศไทยยังอยู่ในยุค ก, การเดินเท้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้าประปาบ้านเมืองก็ยังคงอยู่ในช่วงศึกสงครามมีชนกลุ่มน้อยต่างๆมากมายนะคะ ยังไม่ได้รวมกันเป็นสยามประเทศในสมัยนั้นเวลาเกิดกลรียุกทรัพย์สินเงินทองของผู้มั่งมีหรือว่าทรัพย์สินในกรมวังต่างๆเมื่อไม่สามารถนำติดตัวเพื่อที่จะเดินทางไปไหนได้เพราะว่ามักจะเกิดการปล้นสะดมจากกองโจรต่างๆอยู่เสมอค่ะ ก็เลยมีการนําสมบัติไปกลบฝังตามที่ต่างๆด้วยความเชื่อนะคะว่าหากไม่มีผู้ดูแลสมบัติเหล่านั้นอาจจะต้องสูญหายหรือว่าถูกขโมยเอาไปโดยเหตุนี้แหะค่ะก็เลยมีการสรรหาคนที่จะมารับหน้าที่เฝ้าซัพย์สมบัติขันอาสารับหน้าที่เฝ้าซัพย์โดยจะถูกกลบฝังไปพร้อมกับสมบัตินั้นกลายเป็นวิญญาณที่คอยทําหน้าที่ดูแลไม่ให้ใครนําสมบัติออกไปจากพื้นที่ เรื่องราวเหล่านี้ตัวของบีเองก็เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยคิดค่ะว่าจะมีเรื่องจริงเกิดขึ้นจนกระทั่งได้ทราบข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือท่านหนึง่งได้บอกว่ามีชาวบ้านกลุ่มนึงเดินทางไปแอบขุดสมบัติโดยเชื่อนะคะว่าเป็นสมบัติของพญานาคค่ะฝังไว้ที่ใต้ดินในบริเวณสำนักสงศิลาธรรมสถานอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองเครือชุก ตำบลพลับพลาอําเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็มีบางคนนะคะที่มาขุดแล้วก็เกิดอาการฟันฟ่นเฟือนไปอย่างน่าประหลาดใจเมื่อทราบข้อมูลแล้วก็สถานที่ชัดเจนนะคะก็เลยเดินทางลงไปยังอําเภอห้วยถแถลงโดยได้นัดพบกับคุณซัพ์แท้โค้ซึ่งมีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่สถานีรถไฟห้วยถแถลงค่ะจากนั้นเราก็มุ่งหน้าแข่งกับเวลาไปยังเป้าหมายนั่นก็คือสำนักสงฆ์ศีลาธรรมสถาน คุณซับนะคะซึ่งเป็นคนในพื้นที่ค่ะก็ได้เล่าให้ฟังว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระมหาปกครองหมุนเวียนกันไปบางทีก็ว่างชาวบ้านก็ไปหานิมนต์พระมหามาจําพรรษามีเนนมาบ้างค่ะแต่ก็ไม่มากรูปแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็มีการเปิดรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรรักษาโรคเกี่ยวกับมะเร็ง นอกจากนั้นนะคะคุณซั์แล้วก็ยังพบกับคุณสุมาลีแสงมงคลค่ะซึ่งมาร่วมเล่าเรื่องราวแห่งความเร้นลับครั้งนี้ให้เราได้ฟังอีกท่านหนึ่งโดยได้เปิดเผยนะคะว่าที่สำนักสงฆ์แห่งนี้จะมีบ่อน้าโบราณอยู่บ่อ น, นึงค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือว่าฝนขาดฤดูขนาดไหนบ่อน้านี้ก็ไม่เคยแห้งเหือดไปเลยทั้งที่ไม่ได้อยู่ติดกับลาคลองลาห้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคะว่าน้ําเหล่านี้มาจากไหนชาวบ้านรุ่นเก่าๆจึงบอกลูกบอกหลานนะคะว่าบ่อน้ํานี้เป็นบ่อน้านําพญานาคแต่ก่อนนี้จะเป็นบ่อกว้างพอนานๆเข้าค่ะขนาดบ่อก็ลดลงไปแต่ก็ไม่เคยเหือดแหง้งทั้งๆ ท, ที่รอบๆ บ, บ่อนี่คือแห้งกันไปหมดแล้วคุณทรัพย์แล้วก็คุณสุมาลีค่ะได้เล่าให้เราฟังต่อไปอีกนะคะด้วยความเชื่อกันมานานนมนี้เอง จึงไม่มีใครกล้าลงไปเล่นน้ำในบ่อพญานาคเพราะว่าเคยมีคนลงไปเล่นแล้วล่วคะค่ะแต่ก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะบางคนก็พยายามจะลงไปค้นหาสมบัติพญานาคเนื่องจากมีตำนานเก่าแก่เล่าต่อๆกันมาเป็นทอดๆนะคะบอกว่าในบ่อน้าพญานาคนี้มีทรัพย์สมบัติอยู่มากมายแต่ใครก็ตามที่คิดจะลงไปงมหาสมบัติในบ่อนี้เนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปทุกข์ได กล่าวกันว่าเคยมีผู้ที่ละโมบโลภมากค่ะหวังจะได้สมบัติถึงขนาดเสาะหาบุคคลนะคะที่เก่งทางด้านสมาธิจิตมานั่งวิปัสสนาเพื่อให้บอกนะะว่ามีสมบัติฝังไว้ตรงไหนปรากฏว่าเมื่อตำแหน่งชัดเจนแล้วก็พากันขุดหากันจนเป็นหลุมลึกแต่แล้วค่ะก็ถูกดินถล่มลงมาทับจนฟั่นเฟือนเสียสตินอกจากตำนานอาถรรพ์ของบ่อน้าพญานาคดังกล่าวแล้วคุณซับยังเล่าให้ฟังนะคะว่าบริเวณที่แห่งนี้ ผีดุด้วยในยามค่ําคืนบางคนนี่เคยเห็นเด็กคลานข้ามถนนเลยบางคนก็เห็นเป็นผู้หญิงแต่งชุดโบราณยืนอยู่ก็เลยเชื่อกันคขะว่าสถานที่แห่งนี้ต้องมีความพิเศษแล้วก็วิญญาณที่เห็นเนี่ยคงจะเป็นเจ้าของเดิมซึ่งสถานที่แห่งนี้อาจจะเคยเป็นเมืองหรือว่าเป็นบ้านของคนสําคัญสําคัญและเมื่อมีเหตุเพศภยัยสมบัติก็ถูกฝังไว้ตามการเวลาค่ะ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยน่าเชื่อได้นะคะว่าเรื่องราวของปู่สมเฝ้ารั์อาจจะมีอยู่จริงในสถานที่แห่งนี้เพราะว่าใครที่คิดจะมาค้นหาสมบัติต่างต้องมีอันเป็นไปซึ่งบางรายนะคะกำลังขุดอยู่อยู่ๆก็ทิ้งจอบทิ้งเสียมวิ่งร้องออกไปขวัญกระเจิง ผู้คนที่มาขุดส่วนมากจะเป็นคนต่างหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนหัวสมัยใหม่ค่ะที่ไม่คิดกลัวเรื่องแบบนี้แต่ก็มีบางรายนะคะที่หลังจากมาขุดแล้วก็ล้มป่วยไม่สบายหรือได้รับอุบัติเหตุในภายหลังก็เลยทำให้เชื่อกันนะคะว่าเกิดจากอาถรรพ์ของสมบัติแห่งนี้นั่นเองค่ะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของความอาถรรพ์ของศาลพ่อปู่ที่จังหวัดมหาสารคาม ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อำเภอกันทรวิชัยนั่นเองนะคะก็มีสารปูนเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเด่นชัดมากค่ะความแปลกของสารแห่งนี้มีความแตกต่างกับสารอื่นๆตรงที่ว่าเป็นสารปูนที่ตั้งอยู่ริมถนนการที่จะเข้าไปกราบไหว้สารก็จะต้องโน้มตัวมุดลงไปกราบไหว้ข้างในซึ่งลักษณะก็จะเหมือนกับว่ามุดลงไปในถ้านั่นเอง บรรยากาศภายในศาลก็ยิ่งมืดสลัวนะคะยิ่งเป็นบรรยากาศตอนค่ำๆหรือว่าช่วงพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วเนี่ยยิ่งทําให้ดูวังเวงแล้วก็เงียบดูน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากบรรยากาศที่น่าสะพรึงหวาดหวั่นของผู้คนในละแวกนั้นก็ยังมีเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์วิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่แถวบริเวณศาลนี้นะคะเที่ยวหลอกหลอนผู้คนจนจับไข้หัวโกรนมาแล้วหลายรายด้วยกัน เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นโดยคุณก้าวเหล่ามาลาซึ่งเป็นหญิงสาวชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้กันกับศาลแห่งนี้โดยเธอก็เริ่มต้นเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าศาลนี้มีชื่อว่าศาลปู่ผ้าขาวซึ่งเป็นศาลเก่าแก่ถูกตั้งขึ้นมานานนับหลายสิบปีมาแล้วไม่มีใครทราบถึงที่มาว่าถูกตั้งขึ้นเมื่อไรแล้วก็ทำไมถึงต้องมีการตั้งขึ้น ก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ว่าตัวของคุณก้าเองบอกว่ามาอยู่ที่นี่ได้30กว่าปีแล้วก็เห็นศาลนี้ตั้งอยู่ก่อนแล้วด้วยถามใครๆแถวนี้เขาก็ไม่ทราบรายละเอียดกันเลยชาวบ้านแถบนี้นะคะเวลาผ่านไปผ่านมาก็จะลงไปกราบไปไหว้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของคนในละแวกนี้ไปแล้วค่ะ ส่วนเรื่องราวความเฮี้ยนความอาถรรพ์นั้นก็มีแน่นอนและก็มีค่อนข้างจะเยอะมากด้วยซึ่งหากสังเกตจะพบนะคะว่าศาลาร้างที่เป็นปูนอยู่ใกล้ๆกันกับศาลเนี่ยมีสภาพรกร้างผุพังไม่มีใครสนใจจะมาซ่อมแซมดูแลกันเลยที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าบริวารของวิญญาณพ่อปู่เนี่ยท่านจะแรงมากบริวารของท่านจะเยอะมากค่ะเมื่อก่อนนี้เคยมีคนมานั่งรอรถอยู่ที่ศาลาแห่งนี้ในตอนกลางคืน พอนั่งอยู่คนเดียวสักพักนึงก็มีผู้หญิงรูปร่างสวยงามค่ะนุ่งขาวห่มขาวออกมานั่งอยู่ใกล้ๆด้วยคนที่เห็นเขาก็ตกใจกลัวกันเพราะเขาคิดได้ทันทีนะฮะว่ายังไงก็ต้องเป็นวิญญาณของผีออกมาปรากฏร่างหลอกหลอนแน่นอนเรื่องในทำนองนี้ก็ยังมีให้ได้ยินอยู่บออ่อยครั้งคนที่พบเจอกันเนี่ยเขาก็จะไปเล่าให้ชาวบ้านฟังกันต่อๆไป โดยคุณก้าวเองบอกว่าเคยได้ยินจากปากของชาวบ้านมาอีกทอดหนึ่งนอกเหนือจากคนที่เคยเห็นร่างของอผู้หญิงชุดขาวแล้วนะคะบางรายค่ะก็นอนหลับอยู่ที่ศาลานี้อยู่ดีๆก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาหายใจไม่ค่อยจะออกเขาก็เลยบอกว่าเหมือนมีคนเนี่ยเอามือมาบีบที่บริเวณลำคอของเขาอย่างเป็นเอาเป็นเอาตายนะคะ เมื่อ3มปีที่แล้วเพื่อนของลูกชายคุณ9าเองก็เล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่าที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาตรงบริเวณศาลนี้แล้วเครื่องเกิดเสียก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์ซ่อมอยู่ ใ, น ใ, นในกล้ๆกันกับศาลพอซ่อมไปซ่อมมาท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงเข้าไปทุกทีทุกทีปรากฏว่ายังซ่อมไม่เสร็จสักทีนึงค่ะระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยร้องครวญครางออกมาเบาๆเป็นลักษณะของเสียงได้ยินเหมือนคนกาลังคร่าครวญออกมาแบบเหนื่อย เอื่อยเฉยๆนะคะซึ่งฟังไม่ได้เป็นสับอะไรเลยก็รู้แต่เพียงว่าเป็นเสียงคลางเบาๆแล้วก็เป็นเวลา น, านานมากที่เขาได้ยินแต่เสียงจะไม่ดังออกมาติดต่อกันเป็นเวลานานคือจะดังเป็นช่วงๆดังเป็นระยะๆนะคะพอเขาหันไปมองซ้ายมองขวาไม่ปรากฏว่ามีใครมานั่งหรือว่ามานอนอยู่แถวนั้นพอเขาได้ยินบ่อยเข้าก็เกิดความเครียดขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาในภายหลังเขาก็เลยหยุดซ่อมรถ เก็บอุปกรณ์ซ่อมทั้งหมดแล้วก็รีบจูงรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปซ่อมรถที่บ้านต่อพอรุ่งเช้าเขาก็เลยมาหาลูกชายคุณก้าพร้อมกับเล่าเรื่องนี้ทั้งหมดที่เขาได้ประสบมาให้ฟังค่ะคนที่ได้ยินเรื่องราวที่เขาประสบมาต่างก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเพราะว่าเรื่องทานองนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากแล้วก็ใครก็ตามค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ย น ะ, ะอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันกันกบศาลเนี่ยจะไม่มีใครกล้าผ่านศาลในเวลาค่ําคืนเลยนะแล้วก็ผู้คนในละแวกต่างโจทย์จันกันว่าผีหรือว่าวิญญาณที่ออกมาหลอกหลอนคนเนี่ยไม่ใช่วิญญาณของพ่อปู่ผ้าขาวแต่ว่าเป็นวิญญาณของเหล่าบริบาลของพ่อปู่ที่สิงสถิตยอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กันกับศาลเพราะฉะนั้นแล้วนะคะศาลาที่เมื่อก่อนนี้เคยมีคนมานั่งรอรถเมย์หรือว่ามานั่งเล่นกันนั้นปัจจุบันนี้ ไม่มีใครกล้าจะมานั่งกันอีกเลยเพราะว่าเขาก็กลัวที่จะโดนผีหลอกกันทั้งนั้นเลยก็เลยกลายเป็นสารลาร้างกันไปในที่สุดค่ะก็เลยทำให้มีสภาพผุพังอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะขนาดที่ว่าเฮี้ยนอย่างนี้แล้วก็ยังมีบุคคลที่ชอบลองดีลองของกับสิ่งเร้นลับมาทำการท้าทายความศักดิ์สิทธิ์ของศาลจนได้แล้วก็บุคคลเหล่านั้นนี่ก็ต้องเจอดีเข้าทุกรายไปยกตัวอย่างครั้งหนึ่ง ประมาณปี2ปีที่แล้วนี่เองนะคะก็มีกลุ่มเด็กผู้ชายวัยรุ่นอยู่กลุ่มนึงเข้ามาลองดีกับสารพ่อปู่โดยเข้ามาบริเวณหลังสารซึ่งเป็นคลองมีชื่อว่าคลองหนองบัวค่ะเมื่อก่อนนี้ก็จะมีน้ําอยู่ในคลองเยอะมากโดยในคลองนี้ก็จะมีทั้งปลามีทั้งเต่าและก็สัตว์น้ําอีกหลายชนิดด้วยกันปรากฏว่าเจ้าเด็กวัยรุ่นพวกนี้ค่ะยกทัพกันมาจับเต่าจับปลากันไปเป็นจนํานวนมาก ตอนที่ลงไปจับเนี่ยก็ไม่ยอมจุดทูปขอกันเลยสักคนนึงพอจับไปได้เพียงวันเดียวเท่านั้นเด็กพวกนี้เนี่ยนอนอยู่ดีๆก็มาสะดุ้งตื่นในตอนดึกๆพอลืมตาขึ้นมามองก็เห็นร่างผู้หญิงมานั่งอยู่นอกมุง้งค่ะตรงบริเวณปลายเท้าแล้วก็บอกว่าให้เอาสัตว์น้ําที่จับมาโดยไม่ได้รับอนุญาตไปปล่อยไว้ที่คลองอย่างเดิมไม่เช่นนั้นเราจะต้องเจอดีนะคะพอเด็กพวกนี้เห็นปุ๊บเกิดอาการช็อกทันทีพอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็พากันจับไายกันหมดทุกคน ตอนสายนะคะเด็กพวกนี้ก็เลยรีบเอาปลาเอาเต่าไปปล่อยไว้ตามเดิมหลังจากนั้นมาเด็กพวกนี้ก็ไม่กล้าที่จะไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวสารหลังนี้อีกเลยนะคะแบบนี้ที่เขาเรียกกันว่าไม่เชื่อแล้วก็อย่าได้ลบหลู่ดูหมิ่นเป็นอันขาดค่ะหากจะกระทําสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าที่เจ้าถิ่นก่อนก็ต้องเจอดีกันทุกรายเช่นเดียวกับกรณีของกลุ่มเด็กวัยรุ่นเหล่านี้เป็นแน่นอนนะคะ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 นะะีคะก็เลยหวาดผาวาขึ้นมาหาจนรู้สึกเป็นทุกข์ใจก็เลยไปบ้านหลังน้อยของนายเชิดไปบอกว่าสงสัยจะเหม็นเพราะผีใต้หงหัวกระทำนางนุ่มภรรยานในเชิดก็ตกใจค่ะที่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผีไตหงในบัวคําเนี่ยกระทำก็เลยบอกกับนางกลิ่นว่าอยากให้นางกลิ่นเนี่ยเอากลับคืนไปเถอะเพราะว่าไม่ได้อยากจะได้เสื้อผ้าเหล่านั้นเก็บไว้ในบ้านอีกต่อไปแล้วแต่ว่านางกลิ่นตอบว่าอืมเอาเก็บไปเถอะให้ไปแล้ว แล้วนางก็จุดทูบบอกดวงวิญญาณของนายบัวคําให้เองพอกลับบ้านค่ะนางก็งกลิ่นเนี่ยนะคะก็รีบจุดทูบบอกกล่าวต่อดวงวิญญาณของสามีก็คือนายบัวคําตามที่พูดแต่ก็ปรากฏว่ากลิ่นเหม็นก็ไม่ยอมจางหายทําให้เสื้อผ้าเหล่านั้นของนายเชิดเนี่ยไม่ได้สวมใส่ไปไหนเลยเมื่อเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ค่ะนายเชิดก็เสียดายมากนางนุ่มก็ออกความเห็นว่าอน่าจะเอาไปคืนนางกลิ่นนะ